มาจากที่ไห น, นมาอย่างเท่เลยเคยมาป่ะที่สองที่ส อ, องออนี่อยากจะฟังเรื่องอะไรนะวันนี้อยากจะฟังเรื่องอะไรจะได้จะได้ทำอาหารได้ถูกปากนี่เหมือนร้านอาหารตามสั่ง เกี่ยวากับอะไรนะเป็นผู้ช่วยผู้บริหารมันก็มีหลายธรรมะด้วยกันธรรมะที่จะใช้ในการทำงานถ้ามีอิทธิบาสิ่ก็จะเป็นพ ล, ลังของใจอิทธิบาทอิทธิแปลว่าความสำเร็จความยิ่งใหญ่ บาทก็คือทางสู่ความสำเร็จรือความยิ่งใหญ่นี่คุณธรรมสี่ข้อด้วยกันคือหนึ่งฉันทะความพอใจในการในการทำงานวิริยะความขยันหมั่นเพียรจิตตะความตั้งใจที่แน่วแน่ต่อการทำงานมีมังสาการค้ําควรด้วยเหตุด้วยผล ไม่ให้ใช้อารมณ์ในการทำงานถ้าเรามีคุณสมบัติ4ประการนี้เราก็จะสามารถทำอะไรต่างๆให้สำเร็จนุ่งๆไปได้ขั้นตัวธรรมะข้อแรกต้องมีก็คือความยินดีหรือความพอใจความชอบใจฉันทะแปลว่าความชอบใจความพอใจียินดีถ้าเราชอบอะไรแล้วเรามักจะ ขยันทำในสิ่งที่เราชอบดังนั้นก่อนที่เราจะทำอะไรเราต้องเลือกงานเลือกอะไรที่ทำให้เราชอบทำวิธีที่จะทำให้เราชอบทำก็คือให้นึกถึงผลที่จะตามมาเช่นรายได้ถ้าทำแล้วมีรายได้มากความเพาะความชอบใจมันก็จะเกิดขึ้นถ้าทำแล้วขาดทุนนี้มันก็ จะไม่มีใครอยากจะทำาันขั้นแรกเราต้องดูถึงผลของงานที่เราจะทำว่ามันจะได้อะไรมาเป็นเป็นผลตอบแทนถ้าเป็นผลตอบแทนที่น่าชื่นชมเราก็จะชอบพอเราชอบแล้วเราก็จะได้ทำด้วยความสนุกสนานทาด้วยความ ร่าเริงทาด้วยความพอใจอยถ้าเรามีความรักในงานที่เราทําแล้วมันก็จะขยันเองคนบางคนนี่วันหยุดไม่ยอมหยุดเอาทําแล้วยิ่งทํายิ่งได้ก็ไม่มีใครอยากจะหยุดทาํางานอันนี้คือสิ่งแรกที่เราต้องมีก็คือความพอใจกับหน้าที่การงานของเรา เพืจะให้เราพอใจมันก็ต้องมีผลตอบแทนที่น่าพอใจอันนี้เราก็ต้องไปหาเอาก็แล้วกันว่างานแบบไหนทําแล้วจะทําให้เราได้รับผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจพอเรามีแล้วเราความขยันมันจะมาเองมันจะตื่นแต่เช้าทํางานถึงดึกเลยส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นงานของเราเอง ถ้าเป็นงานของบริษัทก็อยู่ที่ว่าเขาให้ผลตอบแทนพิเศษมากน้อยถ้เขามีโบนัสแถมให้ถ้าผลประกอบการดีได้โบนัสมากก็มันก็จะทําให้เรามีกําลังใจที่จะทำที่จะทําเกินเวลาเพื่อให้ได้บรรลุถึงเป้าหมายที่ทางบริษัทเขาตั้งไว้อ่า น, นต้องสร้างความพอใจให้เกิดขึ้น พอมีความพอใจแล้วความขยันมันจะตามมาถ้าเกยียรจค้านมันก็ทําให้สําเร็จแต่ถ้ามันมีความพอใจมันรู้ว่าทําแล้วได้ผลได้ผลตอบแทนอย่างไรมันก็จะขยันเองแล้วข้อที่สาก็จิตะแปลว่าความจดจอ่อด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่ต่องานที่เราทําใครจะมาชวนเราไปเที่ยวหรือไปทําอะไรอย่างอื่นเราก็จะปฏิเสธเข้าไป ถ้าทำให้เราเสียงานเสียาการที่เรากำลังจะทำอยู่แต่ถ้าเราไม่มีความจดจ่อตั้งใจแน่ๆเดี๋ยวใครมาชวนไปเที่ยวไปทำอะไรก็อาจจะไปไปแล้วก็ทำให้เสียงานเสียาการได้แล้วข้อที่สี่ก็คือวิมังสาเราต้องคิดด้วยเหตุด้วยผลในเรื่องของงานที่เรากำลังทำอยู่ว่า มีอุปสรรคตรงไหนมีปัญหาตรงไหนจะแก้มันได้อย่างไรต้องแก้ตามหลักความเป็นจริงเหตุเหตุผลไม่ใช่จะใช้อารมณ์ของเราแก่บางทีผู้บริหารทำงานก็ต้องประชุมกันก็ต้องมาคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันอก็ต้องอย่าเอาความเห็นของตัวต้องเอาเหตุผลเป็นเป็นที่ตั้ง ว่าทำอย่างนี้แล้วจะเกิดผลอย่างนี้ตามมาทำอย่างนี้แล้วจะได้ผลอย่างนี้ตามมาะจะเอาทางไหนดีว่าแต่ละทางมันก็มีทั้งบวกมีทั้งลบ ก, ก็ต้องใช้เหตุใช้ผลกันแล้วงานมันก็จะไปได้อย่างอย่างสะดวกแล้วก็บรรลุถึงเป้าหมายที่เราต้องการทำได้ อันนี้ก็เป็นส่วนเรื่องเกี่ยวกับการการให้กาลังใจกับการงานของเราเราก็ต้องมีอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องมีสำหรับรักษาใจของเราในขณะที่เราทำงานไม่ให้เกิดอารมณ์เสียเกิดอารมณ์ไม่ดีถ้าเราต้องทำงานกับคนหลายคนเราก็ต้องมีอิธิบาทสี่มีความเมตตา ต้องคิดถึงหัวของอเขาหัวของเราบางทีเราอยากจะให้เขาทำเนแต่เขาทำไม่ได้อย่างที่เราต้องการเราก็อย่าไปโกรธเขาก็พิจารณาหาสาเหตุดูว่าเป็นเพราะอะไรถ้าเขาไม่สามารถร่วมงานกับเราได้เราก็จะต้องขอร้องให้เขาไปทำที่อื่นแต่ไม่ควรที่จะมาด่าว่ากัน ควรจะพูดกันด้วยเหตุด้วยผลให้มีความเมตตาต่อกันแล้วถ้าเขาเดือดร้อนหรือว่าเราให้ผลตอบแทนเขาไม่พอถ้าเราจะให้เขาหน่อยถือว่าเป็นการทำบุญช่วยเหลือกันไปก็จะทำให้เขาอยู่กับเราทำกับเราได้เราก็จะไม่มีศัตรูไม่มีมีแต่เมต ทำงานด้วยกันมีมิตรมันก็มีความสบายใจหรือว่าถ้าเกิดเขาได้งานใหม่ได้งานเดือนดีกว่าเขาอยากจะขอลาออกก็อยากไปโกดธเขาก็แสดงความยินดีไปว่าเออเราก็เหมือนเข า, าถ้าเรามีงานที่ดีกว่านี้เราก็คงไปเหมือนกันให้ เ, เขาจะไปอาจจะทำให้งานเราลาบากใหม่ต้องหาคนใหม่มาแทนก็ต้องยอมรับสภาพความเป็นจริง ถ้าเราอยู่ในโลกที่มันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่อนอนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ได้ตลอดเวลาบางทีเขาได้งานดีกว่ารายได้ดีกว่าเขาจะไปก็ให้เขาไปแต่อย่าไปโกรธอย่าไปด่าว่ากัน <c oughs> มันสร้างศัตรูขึ้นมามันไม่ดีหรอกช่วมีเป็นมิตรกันดีกว่าแล้วเราก็ต้องมีอุบเบกขาเวลาที่ มีเหตุการณ์หรือการกระทาของใครที่เราไม่สามารถที่จะไปะไปแก้ได้ไปไปยับยั้งได้ก็ต้องทำใจอย่างเช่นแล้วก็จะลาออกเรายับยังเขาไม่ได้เราก็ต้องทำใจถ้าเราแสดงความยินดีให้ไม่ได้ก็ทำใจเฉยๆว่าอุเบกขาอย่าไป อย่าไปพูดอะไรที่จะทำให้เกิดความเสียหายเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันเพราะถ้าเราไปทำให้เขาโกรธเราเราก็โกรธเราโกรธเขาเขาก็โกรธเราใจก็จะร้อนใจจะไม่มีความสุขอันนี้ก็เป็นเรื่องของการดูแลรักษาใจของเราเวลาที่เราทำงานเกี่ยวข้องกับคนหรือไม่ว่าที่ทำงานหรือที่ไหนก็ตามที่บ้านที่อะไร ถ้าเราพบปะกับคนนี่เราควรที่จะใช้หลักพรหมวิหารสี่คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วแต่ความเหมาะสมต่อกรณีเมตตานี้ก็เป็นธรรมพื้นฐานเจอใครก็ควรที่จะแผ่เมตตาการแผ่เมตตานี้พวกเราบางทีเข้าใจผิดว่าไปแผ่ในห้องพระไปนั่งสวนมน แ, แผ่สัพเพสัตตา อันนั้นยังไม่ได้แผ่เพราะไม่มีใครรับเรานั่งอยู่ในห้องพระเราสวดมนต์นั่งสมาธิเสร็จเราแผ่เมตตาทำดีการแผ่เมตตานั้นเป็นการฝึกเป็นการสอนใจเตือนใจให้เรารู้จักวิธีแผ่เมตตาว่ามีอะไรบ้างเช่นสัพเพสัตตาอเวราหนตุแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ให้มีเวรกันไม่จองเวรจองกรรมกันให้อภัยกัน เวลาใครเขาทํำลายให้เราเสียหายหรือไม่พอใจทําให้เราโกรธเราต้องระ ง, งับด้วยการให้อภัยอย่าถือโทษโกรธเคืองอาฆาตพยาบามบเพราะมันจะทําให้ใจเราร้อนใจเราเป็นไฟเราจะกินไม่ได้นอนไม่หลับจะไม่มีความสุขนี่เรียกว่าเอ oh เวลาหหนตุเวรย่อมไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวรถ้าเขาทำเราเราทําเขาเขาก็กลับมาทําเราใหม่ ทำกันไปก็แรงขึ้นไปเรื่อยๆตอนนั้นก็ใช้วาจาต่อไปก็ใช้มือใช้เท้าต่อไปก็อาจจะใช้อาวุธแั้นเดี๋ยวก็ไปติดคุกติดตารางตายคนที่ถูกฆ่าก็ตายไปคนที่ข่าก็ไปติดคุกติดตารางต่อเพราะไม่มีอเวราโหนตุนี่คือเวลาเราสวนนี่เป็นการเป็นการสอนเป็นการศึกษาว่า การแผ่เมตตานี้มีกี่ลักษณะลักษณะแรกว่าเอาเวลาหุนตุลักษณะที่สองอาปยาปัชาหุนตุอย่าเบียดเบียนกันอย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนอย่ากันแกล้งกันอย่าอย่าทำให้คนอื่นเขาเสียหายเราจะทำอะไรต้องระมัดระวังคิดถึงผลกระทบต่อที่จะเกิดตามมาถ้าเราไปทำให้เขาเสียหายเดี๋ยวเขาก็จะต้องกลับมาทาให้เราเสียหาย เราต้องระมาดระวังอย่าไม่มีศัตรูอย่าไปสร้างศัตรูนี่เรียกว่าอัปปายาปชาห้นตุอานิกาห้นตุก็ให้มีความอยากให้เขามีความสุขทั้งทางกายและทางใจให้เขาไม่มีความทุกข์ใจพูดง่ายๆอานิกาห้นตุอย่าไปทาให้เขาทุกข์ใจแล้วก็สุขีอัตานังปริหะนันตุ อยากให้เขามีความสุขกันอย่างตอนปีใหม่นี้เราอยากให้คนหนึ่งก็มีความสุขเราทำยังไงเราก็ส่งซอลกซอส่งกระเช้าดอกส่งข้าวส่งของความจริงเราสามารถส่งได้ทุกวันเราไม่ต้องรอวันปีใหม่ถ้าเราอยากจะแผ่เมตตาเราแผ่ได้ทุกวันมีขนมอะไรก็เวลาไปทางานก็เอาไปฝากเพื่อนทำงานอะไร เวลาไปกินอาหารบางทีก็จ่ายให้เขาบ้างก็ได้เลี้ยงเขาอันนี้ก็เรียกว่าแผ่เมตตาถ้าเราเป็นคนมีความเมตตานี่จะมีแต่คนรักเราไม่มีใครโกดไม่มีใครเกลียดเราพระพุทธเจ้าบอกว่าอันนี้ส่งของความเมตตามีหลายข้อในกันข้อที่หนึ่งจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเทวดาคุ้มครองคนดีคนดีนี่ตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ จะไม่ตายด้วยยาพิษหรือศัตรูหรือด้วยอาวุธเพราะไม่มีใครจะฆ่าเราเพราะเราไม่มีศัตรูกับใครเราไม่เป็นศัตรูกับใครเรามีแต่มิตรจึงเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายแล้วเราจะมีความสุขทั้งขณะที่ตื่นและขณะที่หลับจิตใจจะล่าล่องละล่าเราิงผ่องใสมีได้ความสุขเวลาเราแผ่เมตตาเวลาที่เราได้ ให้อะไรกับคนอื่นนี่เราจะมีความรู้สึกดีใจสบายใจอ ย, อ, ยอย่างญาติโยมจึงมาทากับพระเพราะมันง่ายหน่อยทากับคนใกล้ตัวนี่บางทีมันยากเพราะมันมีเรื่องมีราวมีปัญหากันมันก็เลยแผ่ยากไปแผ่กับคนที่เราไม่รู้จักดีกว่าไม่มีเรื่องดีกว่าก็เลยมามาแผ่กับพระเวลามาทำบุญนี่ก็เป็นการแผ่เมตตาเหมือนกัน เอาข้าวของมาให้พระพราะเห็นว่าพระก็เดือดร้อนขาดแคลนต้องอาศัยาการให้ของญาติอยู่แต่คนที่เราอยู่ใกล้ตัวเราเพราะอาจจะมีพอแล้วเราก็เลยไม่ได้คิดอยากที่จะให้อะไรเขามันก็เลยไม่ค่อยได้มีโอกาสแผ่เมตตากันเก็แผ่โดวยวิธีอื่นอย่าไปโกรธเขาเขาทาอะไรให้เราเสียหายก็พูดกันดีๆบอกอย่าทำนะครั้งต่อไปขอร้องทําแล้วเกิดความเสียหาย ถ้าทำอีกก็อาจจะต้องมีการลงโทษกันแต่เราจะไม่โกรธคุณไม่ดา่าคุณไม่ว่าคุณแต่ก็ต้องมีการเตือนกันว่าอย่าทำตามว้วมันเสียหายถ้าเราอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ไปคนละทางก็แล้วกันอันนี้ต้องใช้อย่าใช้อารมณ์ใช้ความเมตตาส่วนความกรุณาก็คือความสงสาร ถ้าเห็นใครเขาเดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากลำบากคนเราบางทีไม่แน่เดินแล้วก็อาจจะล้มลงได้ถ้าเราพอจะช่วยพยุงให้เขารุกขึ้นมาเดินต่อไปได้ ก, ก็ควรจะช่วยเหลือกันบางคนอาจจะตกงานไม่มีไรายได้ก็อาจจะต้องให้ช่วยเรื่องปัจจัยสี่อาหารหรืออะไรก็ช่วยกันไปตาม ตามเหตุตามผลเวลาที่มีไฟไหม้มีน้ําท่วมนี่เราก็ช่วยกันบริจาคข้าวของไปช่วยคนที่เขาเดือดร้อนช่วยกันแล้วเวลาเราเดือดร้อนก็นจะมีคนมาช่วยเราถ้าต่างคนต่างไม่ช่วยกันก็จะไม่มีใครช่วยกัน น, นี้ก็จะทําให้เราอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นสุขมีความเมตตากราุณาแล้วถ้า คู่แข่งขันของเราเขาได้ดิบได้ดีกว่าเราก็อย่าไปอิจฉาริษยาียเขาคิดว่าเป็นเหมือนการแข่งขันกีฬาถ้าเขามีฝีมือดีกว่าหรือโชคเขาดีกว่าเราเขาทำมาหากินไปนี้เขาได้ผลประกอบการที่ดีกว่าเราเราโชคไม่ดีวางแผนผิดหรืจาะผิดที่เลยขาดทุนก็ อย่าไปอิจฉาลิศยากันก็แสดงความดีดีให้แก่กู้แข่งขนันเข้าไปเราก็ต้องเอาบทเรียนข้ อ, ขอผิดพลาดที่เราทำนี้มาสอนเราอย่าไปหาวิธีกันแกล้งขัดขวางการเจริญก้าวหน้าของคนอื่นเม่มันจะทำให้เกิดเป็นการเป็นศัตรูต่อกันแล้วก็อุเบกขาก็คือถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถทำอะไรได้ เป็นบางทีคนที่เราลักเราชอบเขาเดือดร้อนแต่เราไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้เราก็ต้องทำใจว่าเป็นกรรมของเขาถ้าเราอยากช่วยเขาเราทำไม่ได้เราก็จะทุกไ ป, ปเปล่าๆไม่สบายใจไ ป, ปเปล่าๆ น, นี่ก็คือหลักของการทำงานอยู่ร่วมกันก็ต้องมี สองส่วนส่วนที่เกี่ยวกับการงานเกี่ยวกับการทํางานก็คือต้องมีความพอใจในการทํางานมีความขยนันมีความแน่วแน่ต่อการการที่เราทําไม่ทะเลทลายไปทําอะไรอย่างอื่นมีแต่ทํางานไปงานของเราให้สําเร็จรุ่เรื่องไปให้ได้ก่อนถ้ายังไม่สําเร็จก็ยังไม่หยุดไม่ย่อนแล้วก็ใช้เหตุใช้ผลในการทํางาน พิจารณาดูว่าทําไมถึงมีปัญหาปัญหาอยู่ตรงไหนแก้อย่างไรก็แก้กันไปด้วยเหตุด้วยผลแล้วผลงานมันก็จะปรากฏขึ้นมาเองถ้ามันได้ไม่ถึงเป้าหมายของเราก็ต้องทําใจว่ามันก็สุดวิสัยของเราแล้วเราทําได้แค่นี้ทุกอย่างเราก็ทําดีที่สุดแล้วแต่มันได้เท่านี้ก็ต้องยอมรับว่ามันได้เท่านี้ มันอาจจะไม่ได้เป็นความผิดของเรามันอาจจะเป็นเหตุการณ์เศรษฐกิจมันอาจจะไม่คล่องตัวคนไม่มีการลงทุนมันก็เลยทำให้ทุกอย่างมันชะนักก็ต้องทำใจอุบเบขาไปรอเวลาเดี๋ยวมันก็มีเวลาขึ้นมันมีขาขึ้นขาลงขาลงก็พยายามพยุงพ ย, พยอาอประยุงบริษัทให้มันอยู่รอด พอขาขึ้นก็ก็ค่อยว่ากันอีกทีแล้วชีวิตของเราก็จะดำเนินไปได้อย่างราบรื่นมีความสุขแต่มันก็เป็นความสุขในกรอบของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนนี่เพราะชีวิตของเรามันก็ยังต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต่อไปตอนนั้นมันก็จะต้องหันมาเพิ่มธรรมะอีกแบบหนึ่งะ มาเพึ่งความสงบมาหัดนั่งสมาธิมาทำใจให้สงบกันเพราะถ้าเราถ้าเราพื่งง่ า, งายให้ร่างกายหาอะไรต่างๆมาให้เราตอนนี้เวลาร่างกายแก่แล้วอยาไม่สามารถหาได้ถึงแม้เราจะเก็บเงินเก็บทองไว้สำหรับใช้ในายามแก่ แต่เวลาแก่เราอยากจะไปเที่ยวอยากจะหาความสุขเหมือนตอนที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็หาหายากหรือหาแล้วมันมันทรมารร่างกายสังขารมันไม่เอาด้วยเราก็กกรธที่จะหาวิธีหาความสุขตอนหนุ่มตอนสาวเราอาจจะหาความสุขจากร่างกายทางร่างกายพาร่างกายไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงไปงานเลี้ยงไปงานอะไรต่างๆ เพราะว่าร่างกายมันแข็งแรง <c oughs> แต่ต่อไปถ้าเกิดร่างกายแก่หรือเจ็บไข้ได้ป่วยหรือพิกที่การไปนี้มันจะทําให้ยากต่อการที่จะไปหาความสุขผ่านทางร่างกายได้ถึงแม้เราจะมีเงินสะสมเก็บเอาไว้ก็ตา่างเงินก็ไม่สามารถที่จะทําให้ร่างกายมันดีได้ไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขแบบที่เราเคยหาได้เราก็ควรที่จะห า, หา หาความสุขจากวิธีจากธรรมะจากการปฏิบัติธรรมโดยไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเป็นทางไปสู่ความสุขการใช้ธรรมะนี่เราก็เชียงแต่นั่งเฉยเฉยไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วก็หยุดความคิดของเราให้ได้หยุดความคิดแล้วมันจะหยุดความอยากที่เราพวกกันพวกวันนี้ทํามาหากินหาอะไรหาเงินหาทองมาก็เพราะว่า เราต้องเอามาสนับสนุนความอยากของเราความอยากนี่เป็นตัวพาให้เราไปหาความสุขต่างๆหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหาความสุขจากข้าวของต่างๆที่เราซื้อกันในเวลาเราไปซื้อของไปจ่ายเงินเสียเงนนี้เรามีความสุขเลยไปเที่ยวเนี่ยปีใหม่นี้บางคนก็ไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเพราะเรามีความอยาก ถ้าเราอยู่เฉยๆเราจะงดเห็นถ้าไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านเฉยๆมันจะรู้สึกเหงาว้าเหวความเหงาความว้าเหวนี่มันเกิดจากความอยากไปเที่ยวแต่ถ้าเราสามารถมาหยุดความอยากไปเที่ยวได้เราจะอยู่เฉยๆโดยที่ไม่มีความรู้สึกเหงารู้สึกว้าเหวเราจะรู้สึกสุขอย่างสบายถ้าหยุดความคิดเพราะความคิดนี้เป็นตัวที่จะทาให้เราเกิดความอยากขึ้นมา พอตอนนี้เราคิดกันว่าปีใหม่จะไปไหนละปีใหม่หยุดสีวันจะทำอะไรดีนี่คิดอย่างนี้ละพอคิดมันก็ต้องหาแลาจะไปที่ไหนดีถามเพื่อนเราไปไหนกันที่นี้ที่ไหนหน้าไปแล้วมันก็จะเตรียมตัวไปกันนะถ้าเกิดไม่สบายาเกิดไม่มีเงินมันก็ไปไม่ได้นี่เราบางทีต้องมาหัดหัดเป็นคนจนหัดเป็นคนแก่หัดเป็นคนเจ็บไขยได้ป่วยบ้าง แล้วมาหาวิธีหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายกันเช่นคนที่เขามาอยู่วัดมาถือศีลแเนี่ยเขาเป็นก็ามาฝึกหดอยู่แบบคนจนอยู่แบบไม่มีเงินทองอยู่แบบคนแก่คือเขาจะหยุดไม่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขกันแล้วมาหาความสุขทางใจกันวิธีหาความสุขทางใจก็ต้องทำใจให้สงบ ถ้าใจสงบแล้วความอยากก็จะหายไปความคิดก็จะหยุดคิดร่างกายก็จะเบาสบายมีความสุขยิ่งกว่าได้ไปเที่ยวได้ไปทําตามที่เราอยากได้ได้ทําแต่การจะทําให้ใจมันสงบนี่มันยากเหมือนจับลิงมาให้มันนั่งเฉยๆถ้าเราไม่มีเครื่องมือเครื่องไม้จับไม่มีเชือกไปจับลิงนี่มันจับมันไม่ได้เราต้องหาเชือก เส้นใหญ่ ๆ, ๆ, ๆแข็งๆแข็งแรงยาว เ, เชือกกล้วยไปจับลิงไปพูกมันปป๊บเดี๋ยวมันก็ตกทีก็ขาดต้องหาเชือกไนล่อนเนือเชือกที่มันลิงมันไม่สามารถที่จะก็ตกให้ขาดได้ใจเราก็เป็นเหมือนหนึ่งเนี่ยมันคิดอยู่ตลอดเลยลนะคิดแล้วมันก็อยากพออยากแล้วมันก็สร้างอารมณ์ทำให้เราอยู่เฉยๆไม่เป็นสุขกันต้องไปทาอะไรตามความอยากถึงจะระบาย อารมณ์ที่ไม่ดีให้มันหมดไปได้แต่ตอนให้เราทำกี่กี่ครั้งกี่คราวความอยากมันก็ไม่หมดไปพอเราทำเสร็จแล้วเดี๋ยวตุวจีนมันก็มาอีกเดี๋ยวต้องไปอีกแล้วเดี๋ยวก็มันมีเรื่องที่จะทำให้เราอยากทำนูน่นทำนี่เรื่อยๆเราทำมาตั้งแต่เราเกิดแล้วเราอยากกันมาตั้งแต่เราเป็นเด็กแล้วอยากไปเที่ยวกันอยากไปอะไรกันทาเท่าไหร่มันไม่มีวันหมด วิธีจะทำให้ความอยากมันหมดก็คือต้องอย่าไปทำตามความอยากเช่นสมมติว่าหยุดหยุดปีใหม่สี่วันนี้ค็ยอยากไปเที่ยวกันก็เปลี่ยนจะไปอยู่วัดกันดีไหมเราไปถือสิงแปดกันสักสี่วันไม่ต้องใช้ร่างกายเที่ยวมาหาความสุขจากการมาทําใจให้สงบกันนี่ดับทาใจให้สงบได้เราต้องหาเชือกมาจับลิงตัวนี้ใจเราเป็นเหมือนลิง ที่มันชอบคิดอยู่ตลอดเวลาเราเชื่อกที่จะมาจับเรื่องนี้เราเรียกว่าสติถ้าเรามีสตินี้เราจะสามารถหยุดความคิดได้ตอนนี้เราหยุดได้ไหมลองถามลองดูความคิดเรากาลังคิดอะไรอยู่บ่หยุดอยาคิดให้รู้เฉยๆได้ไหมใจเรามีสองส่วนส่วนที่คิดกับส่วนที่รู้มันทำงานพร้อมกันคิดไปแล้วใจผู้รู้ก็รู้ต่างต่รู้ว่ากาลังคิดอะไรแต่หยุดมันไม่ได้ พราะชอบทําตามพที่คิดที่เราต้องเรามาหัดหยุดคิดกันถ้าเราสั่งให้มันหยุดไม่ได้แสดงว่าเราไม่มีกํำลังพอเราก็ต้องสร้างกําลังหยุดขึ้นมาวิธีสร้างกําลังหยุดก็ต้องบังคับให้มันอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่าปล่อยให้มันคิดตามที่มันอยากฉะนห้มันอยู่กับคําบริกรรมพุทโธพุทโธเลยให้ท่องพุทโธพุทโธไปภายในใจถ้านท่องอยู่กับพุทโธมันก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ แล้วถ้ามันไม่คิดเดี๋ยวมันใจก็นิ่งสงบแล้วก็จะมีความสุขความอยากมันก็จะหายไปความอยากหายไปแล้วใจก็สุขขึ้นมาทันทีใจของพวกเราทั้งวันนี้ที่ไม่สุขกันก็เพราะความอยากนี้เองความอยากแล้วเราเลยคิดว่าการที่เราจะทำให้ใจเราสุขก็คือต้องไปทําตามความอยากพอเราทาตามความอยากแล้วความอยากมัน มันหยุดไปชั่วคราวอยากได้อะไรพอได้มาแล้วมันก็ไม่อยากได้แล้วสิ่งที่เราอยากได้แต่เดี๋ยวมันมีความอยากใหม่ขึ้นมาอยากได้สิ่งนั้นต่อละอยากได้สิ่งนี้ต่ออยากทำสิ่งนั้นอยากทำอย่างนี้ต่อมันก็หลอกให้เราไปทำตามความอยากอยู่เรื่อยแล้วพอเวลาไม่ได้ทำตามความอยากก็หงุดหงิดไม่สบายใจไม่พอใจ อย่างเวลาเราอยากได้อะไรถ้ามีใครมาขัดขวางเราเราจะโกรธเขาั้ยใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่มีความอยากทำอะไรใครจะมาขัดขวางเราเราจะไปโกรธเขาไมไม่โกรธเนะเราไม่มีความอยากจะทำอะไรเขาก็าาจะมาขัดขวางอะไรเรานั่งเฉยๆนี้เขาจะมาทำอะไรหรอเดังนั้นเราต้องมองถึงอนาคตที่จะตามมาต่อไปชีวิตของพวกเราทุกคนมันจะต้องเข้าสู่ความแก่ ความเจ็บไา้ได้ป่วยและความตายความแก่นี้เรามันพอจะรู้เวลามันต้องไปตามเวลาของมันแต่ความเจ็บไขยได้ป่วยกัความตายนี้มันไม่แน่นอนมันอัด จ, จะมาก่อนความแก่ก็ได้คนสมัยนี้บางทีตายไปตั้งแต่ยังไม่แก่กันเป็นโรคภัยไข้เจ็บตั้งแต่ยังไม่แก่กันโรค ก, ก็มีหลายโรคจากโรกจากทางเชือเ้อโรคเรื่องโลจากการกินอยู่ของเรา การบริโภคของเราโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุมันมีอะไรหลายโรคที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมได้วันดีคืนดีอาจจะโดนเข้าโรคใดโรคหนึ่งขึ้นมาก็ได้แล้วเราอาจจะไม่สามารถใช้ร่างกายพาเราไปเที่ยวไปหาความสุขได้แต่ถ้าเรามาถ้าเรามาฝึกหาวิธีหาความสุขโดยไม่ต้องใช้ร่างกายได้ เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่เดือดร้อนเราก็ยังสามารถมีความสุขได้เนี่ยพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราชาวพุทธเข้าวัดกันอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งหรือใช้หยุดการหาความสุขทางร่างกายสักหนึ่งวันรามาถือศีลแปดกันศีลแปดนี้ก็จะห้ามไม่ให้เราร่วมหลับนอนกับแฟนนี่ก็ไม่ให้ใช้ร่างกายในการหาความสุข ไม่รับประทานอาหารมากเกินความต้องการของร่างกายรับประทานเพียงครึ่งวันก็พอจะได้มีเวลามานั่งสมาธิทาใจให้สงบ ก, กันแล้วก็ไม่ต้องไปดูหนังฟังเพลงไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายไม่ต้องไปเสียเวลากับการแต่งเนื้อแต่งตัวเพราะเราไม่ไปออกไปข้างนอกอยู่บ้านสบายไม่ต้องมาเสียเวลา แต่งหน้าแต่งตัวใช้น้ำหอมใช้น้ำมันอะไรต่างๆอยู่บ้านหรืออยู่วัด น, นี้อยู่วาอยู่บ้านก็ได้ถ้าเราอยู่คนเดียวเราอยู่กับคนสองคนสามคนที่ต่างคนต่างอยู่ไม่มารบกวนกันถ้าเรามีห้องของเราแล้วเราทำห้องของเราเป็นวัดไปขังตัวเองอยู่ในห้องแล้วก็ฝึกนั่งสมาธิฝึกเจริญสติ พุโทโธพุโทโธไปถ้าเราพุโทโธพุโทโธไปหรือสวดมนต์ไปนี่เราก็จะไปคิดถึงเรื่องต่างๆไม่ได้ถ้าคิดเราก็แสดงว่าเราใจเราไม่จดจ่ออยู่กับการสวดมนต์จดสวดไปแต่ความคิดมันยังแทรกเข้ามาก็ไม่เป็นไรใหม่ๆ ม, มันก็จะเป็นอย่างนี้เพราะใจเรามันเคยคิดมามากแล้วเหมือนเวลาเราขับรถเร็วนี้เวลาแตะเบรกนี่มันไม่มันไม่หยุดทันที มันก็จะชะลอตัวลงถ้าเราเหยียบเบรกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ต้องหยุดเองถ้าเราพุโทโธไปเรื่อยๆสวดมนต์ไปเรื่อยๆเราไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆความคิดที่แทรกเข้ามานิ้เดี๋ยวมันก็จะหายไปเองจะใช้พุโทโธก็ได้ใช้สวดมนต์ก็ไดไ้ใช้ในท่าไหนก็ได้ไ ม, ไม่ต้องนั่งถ้าเรายังเรายังไม่มีเวลานั่งเราเราทำอะไรอยู่นี่เราก็สวดไปในใจก็ได้ ท่องพุโทโธไปภายในใจก็ได้ถ้าเราสิ่งที่เราทําไม่ต้องใช้ความคิดเช่นอาบน้ําอาบท่าล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้ความคิดมากเราก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้มันไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวมันจะเกิดความอยากขึ้นมาเดี๋ยวจะอยู่บ้านไม่ได้อยู่วัดไม่ได้คิดเพราะมันเดี๋ยวมันเกิดความอยาก พอเกิดความอยากไปมันก็มันก็หงุดหงิดนะยังถ้าเราไม่มีเชือกหยุดมาันจาับตัวคิดนี้ถ้าผูกมันมัดหยุดมันไม่ได้เราก็จะหาความสงบไม่ได้หาความสุขไม่ได้ยางในเบื้องต้นต้องมาหัดเจริญสติกันฝึกสติกันก่อนให้มีพุโทโธพุโทโธอยู่ในใจหรือถ้าเราไม่ชอบพุโทโธเราอย่าใช้ การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ร่างกายกําลังทําอะไรอยู่ในขณะนี้ก็ให้รู้ว่ากําลังทําสิ่งนั้นอยู่กําลังนั่งก็รู้ว่ากําลังนั่งกาลังเดินก็รู้ว่ากําลังเดินกําลังยืนกําลังทํางานกําลังอาบน้ําแต่งตัวกําลังรับประทานอาหารให้อยู่กับกิจกรรมนั้นเพียงอย่างเดียวอย่าให้มันไปคิดถึงเรื่องอื่น อันนี้เรียกว่าเป็นการฝึกสติดึงใจไว้ให้อยู่กับเนื้อกับตัวให้อยู่ในปัจจุบันอย่าให้มันลอยไปอดีตลอยไปอนาคตจิตจะสงบได้มันต้องอยู่ในปัจจุบันถ้าเราดึงจิตให้สงบได้เวลานั่งสมาธิเวลานั่งก็ให้นั่งขัดสมาธิถ้านั่งได้ขวาทับซ้ายตั้งตัวให้ตรงแล้วก็บริกรรมพุทโธดับตาแล้วก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปภายในใจ ไม่ต้องดูลมก็ได้ใช้พุโทโธอย่างเดียวก็ได้พุโทโธพุโทโธไปถ้าเราใช้พุโทโธอย่างเดียวเราจะให้มันเร็วก็ได้ช้าก็ได้บางทีจิตมันฟุ้งอยู่ก็ให้มันเร็วหน่อยพุโทโธแข่งกับความฟุ้งความคิดน่ถ้ามันไม่คิดมันไม่คิดอะไรแล้วคิดน้อยแล้วก็พุโทโธให้ช้าหน่อยก็ได้หรือถ้าเราเหนื่อยไม่อยากจะพุโทโธจะดูลมต่อแทนก็ได้ดูลมก็ดูที่ปลายจามูก นมเข้ามันจะสัมผัสตรงปลายจมูกเนะียนมเข้าออกมันจะสัมผัสอยู่แถวปลายจมูกก็จดจ่อ ด, ดูอยู่ตรงนั้นหายใจเข้าก็รู้ว่ากำลังหายใจเข้าหายใจออกก็รู้กำลังหายใจออกให้รู้เพียงแค่นี้ให้ดูเฉยๆไม่ให้ไปควบคุมบังคับลมหรือถ้าไม่อยู่ที่ปลายจมูกอย่างมันอยู่ที่กลางอกก็ได้เวลาหายใจเข้ามันก็จะพองเวลาหายใจออกมันก็จะยุบ ก็าถึงใช้คำว่ายุบหนอพองหน อ, อะก็ดูการดูลมเนี่ยลมออกมันก็ยุบลมเข้ามันก็พองอเราจะจะพูดยุบหนอพองหนอก็ได้ไม่ต้องพูดก็ได้ให้เรารู้เฉยๆก็ได้ข้อสำคัญอย่าให้เราไปคิดเรื่องอื่นเท่านั้นเองถ้าเราเฝ้าอยู่มันจะต้องไปไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ถ้าเราไปคิดเรื่องอื่นเราจะเผลอเราจะไม่รู้ก่อนว่านี้ลมเข้าหรือลมออกน ะ, ะถ้าเรา จดจอ่ออยู่กับการดูลมอย่างเดียวแล้วจดจอ่ออยู่การพูดโทยอย่างเดียวความคิดมันก็จะหยุดไปในที่สุดพอมันหยุดแล้วมันก็จะวุบลงไปเหมือนตกหลุมตกบ่อแล้วมันก็จะเน่งจะสงบมีความสุขแล้วมันก็บอกว่าอยู่เฉยๆได้ไม่ต้องทำอะไรมีความสุขมากกว่าการไปทำอะไรการไปเที่ยวการไปทาตามความอยากต่าง ถ้าเราทำได้ครั้งหนึ่งแล้วตอไปเราก็จะรู้เราต้องเราทำได้ถ้าเราทำแบบเดิมที่เราทำอยู่ทุกครัง้งแต่เราต้องขยนันอันนี้ก็ต้องมีอิทธิบาทสี่เหมือนกันแต่อิทธิบาทสี่ทางทางทางธรรมถ้าเรานั่งสมาธิเรามีความสงบเราจะเกิดฉันทะขึ้นมาจะเกิดความพอใจพอใจที่จะนั่งสมาธิ เราจะขยันจเจริญสติกันเพราะเรารู้ว่าถ้าไม่มีสติใจจะไม่สงบพอจากสมาธิมาแล้วก็พุทโธต่อไปหรือเฝ้าดูร่างกายต่อไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆคิดเท่าที่จำเป็นออกเวลานี้ถึงเวลากินข้าวก็ไปกินเวลานี้ถึงเวลาต้องทำอะไรก็ทำไปถ้าเป็นวันหยุดเราก็ไม่มีอะไรต้องทามากการที่จะฝึกจิตนีมันเหมาะในวันที่เราไม่ทางาน ถ้าไปทำงานแล้วมันคนละเรื่องต้องใช้ความคิดต้องเห็นนูน่นเห็นนี่พอเห็นพวกจิตมันก็คิดปรุงแต่งไปเห็นปั๊บก็อยากได้ยินปั๊บก็อยากดังนั้นมันจะยากต่อการปฏิบัติเราจึงต้องหาวันหยุดหาเวลาที่เราไม่ต้องไปไปเกี่ยวข้องไปพบปะคนกับเหตุการณ์ต่างๆเช่นอยู่บ้านแล้ว อ, อยู่วัดองนี้แล้วเราก็จะไม่มีอะไรมา ชุดลา ก, กิจใจของเราให้ออกไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเราก็ใช้พุทธโธดึงมันเข้ามาข้างในใจของเราตอนนี้มันอยู่ข้างนอกกันอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสอยู่ที่เหตุการณ์ต่างๆเราต้องใช้พุทธโธดึงมันเข้ามาพอพุทธโธพุทธโธมันก็จะห่างออกจากเรื่องราวต่างๆมันก็จะลืมไปแล้วมันก็จะนิ่งจะสงบนี่คือการดึงใจเข้าข้างใน การทำสมาธินี้เป็นการดึงกระแสจิตกลับเข้าข้างในกระแสจิตของเราตอนนี้มันไหลออกไปข้างนอกไหลไปหาลูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้วก็เกิดอารมณ์เกิดความอยากต่างๆตามมาแล้วก็ตัองไปวุ่นวายกับการไปทำตามความอยากต่างๆแล้วก็จะติดอยู่ข้างนอกไม่สามารถเข้าข้างในได้ต่อให้ได้อะไรมาม า, มากน้อยเพียงไรมันก็ไม่มีความสุขสุขเดียวยวสุขตอนที่ได้ แล้วเดี๋ยวความอยากใหม่เกิดขึ้นมาก็ความหงุดหงิดความน้ ำ, ำความขาญใจก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ก็ต้องไปทำตามความอยากใหม่แต่ถ้าเราดึงจิตเข้าข้างในได้พอมันสงบปั๊บนี่อารมณ์ต่างๆหายไปหมดความอยากต่างๆหายไปหมดความอิ่มความพอโผกขึ้นมาความสบายใจความเบา อ, อกเบาใจโผลขึ้นมามันก็ไม่อยากได้อะไรมันอยากจะอยู่เฉยๆอยากจะอยู่คนเดียว ถ้ามันลองได้พบกับความสงบนี้สักครั้งเดียวมันจะเริ่มเบื่อกับชีวิตที่เราเคยมีอยู่เราจะเห็นว่ามันวุ่นวายจริงๆได้มาเท่าไหร่มันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจิตใจเราเท่าไหร่จิตใจเราก็ยังวุ่นเหมือนเดิมอยู่ยังอยากเหมือนเดิมอยู่ยังอ่อนแอเหมือนเดิมอ่อนไหวง่ายต่อเหตุการณ์ต่างๆต่ออะไรต่างๆอะไรนิดมันกระทบจิตใจหน่อยก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วนะ แต่ถ้าเรานั่งสมาธิทำใจให้สงบนี้ใจเราจะเป็นเหมือนก้อนหินมันจะนิ่งมันจะเฉยสัมผัสรับรู้อะไรมันจะไม่ค่อยมีอารมณ์เท่าไหร่อันนี้แนหะถ้าเราลองได้นั่งแล้วมันเกิดความสงบขึ้นมาเราก็จะเกิดอิทธิบาทอีกแบบหนึ่งทีนี้อิทธิบาท4ี่มาในทางที่จะหาความสงบกันแนละ้วจะมีฉันทะพอใจกับการหาความสงบจะมีความขยันที่จะเจริญสติ นั่งสมาธิอจะไปจะอยู่บ้านมากกว่าออกไปข้างนอกจะดีไม่ดีก็อาจจะาลาออกจากงานเลยก็มีเพราะทํำไปก็ไม่รู้ทํำไปทำไมทำาไม่รู้กี่ปีได้เงินมาไม่รู้เท่าไหร่ใจก็ยังวุ่นเหมือนเดิมอยู่ใจก็หิวยังอยากเหมือนเดิมอยู่ยังอ่อนแอมีอะไรมากระทบหน่อยก็ทําให้เกิดความเสียใจละ มันไม่มีอะไรเงินทองมันไม่สามารถที่จะทําจิตใจของเราให้ดีขึ้นดีไม่ดีอาจจะทําให้เราอ่อนแอเพิ่มมากขึ้นเพราะเราคิดว่าเราใช้เงินทองมาแก้ปัญหาได้แต่ไม่เป็นปัญหาภายนอกปัญหาภายในเงินทองแก้ไม่ได้ปัญหาเกี่ยวกับร่างกายนี้ก็พอแก้ได้ด้วยเงินทองแต่ปัญหาที่เกี่ยวกับจิตใจนี้เงินทองแก้ไม่ได้มีการปฏิบัติธรรมเท่านั้นที่จะแก้ได้ถ้าเราได้ ได้สัมผัสกับผลวนะ่าอิทธิบาตสีทางธรรมจะเกิดขึ้นมันจะทําให้เราก้าวลาออกจากงานะทําให้เรากล้าอยู่บ้านเฉยๆแล้วกล้าไปอยู่วัดเพราะเราจะได้ความสุขที่เราไม่เคยได้มาก่อนที่ดีกว่าความสุขทั้งปวงอันนี้มันจะเป็นตัวที่ทําให้เกิดฉันทะความพอใจเหมือนกับการที่เราได้เงินเดือนถ้าเราทํางานแล้วได้เงินเดือนเราก็จะขยันไปทํา ถ้าทำแล้วไม่ได้เงินเดือนมันก็ไม่อยากจะไปกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราควรที่จะมาทดลองดูบ้างเราต้องอต่อไปเราต้องเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันเพราะร่างกายที่เราใช้อยู่มันจะต้องเสื่อมลงไปเรื่อยๆแล้วสักวันหนึ่งมันจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเราได้แต่ถ้าเรารู้จักวิธีทำใจให้มีความสุขได้เราก็จะไม่เดือดร้อน เราก็ยังมีความสุขต่อไปได้และจะไม่ทุกกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายด้วยเพราะเวลาใจสงบแล้วนี้มันไม่สะเทือนใจเลยเวลาร่างกายแก่เวลาร่างกายเจ็บหรือเวลาร่างกายตายใจก็สงบไปของมันไปนี่แหละประโยชน์ที่เราจะได้รับต่อไปแต่เราต้องอย่าประมาทควรจะเริ่มหันมาหาความสุขแบบนี้กัน ในวันหยุดแทนที่จะไปหาความสุขทา ง, ทางร่างกายก็ลองมาอยู่วัดกันหรืออยู่บ้านก็ได้ถ้าอย่ามาวัดไม่ได้ถ้าเราอยู่บ้านคนเดียวเราก็สามารถใช้บ้านนะี่เป็นที่ปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นที่ปฏิบัติต้องเป็นที่เงียบที่สงบไม่วุ่นวายไม่ไม่มีใครมารบกวนเราไปวัดบางทีก็ไม่ดีเพราะเดี๋ยวนี้วัดบางวัดมันไม่สงบไปวัดก็มีแต่กิจกรรมอะไรต่างๆคนไปกันเยอะ ถ้าเป็นวัดแบบนั้นก็ยังไม่ใช่เป็นวัดที่เหมาะต่อการปฏิบัตินะต้องไปวัดที่เงียบยที่ต่างคนต่างอยู่กันไม่มาพบปะกันนอกจากเวลาที่มารับประทานอาหารหรือทำกิจกรรมร่วมกันนอกนั้นก็แยกกันไปอย่างบนเขาเนี่ยมีพระมีคนปฏิบัติอยู่น้องสิบกว่าคนนะเคยเห็นนหะมสักคนไหมท่านะากับไปอยู่ตามที่ของท่านกันต่างคนต่างอยู่มีที่เดินโยนกลมมีที่นั่งสมาธิท่านต้องการเท่านนะั้น เพราะใจสงบมันต้องสถานที่สงบไม่มีอะไรมาลบกวนใจดังนั้นขอให้พวกเร า, เาถ้าเปรียบเทียบการปฏิบัติตามก็เป็นเหมือนกับการเตรียมนมชูชีพเรื อ, ร อ, รอถ้าเราอยู่ในเรือก็ต้องมีเสื้อชูชีพไว้สวมใส่การเรืออะปางมันยังจะได้มีชูชีพลอยอยู่ในทะเลได้ ต่อไปถ้าร่างกายเราเป็นอะไรถ้าเรารู้จักวิธีทำใจให้สงบผาความสุขทางใจเราก็จะไม่เดือดร้อนเราก็จะปลอดภัยราไม่ถูกความทุกข์มาลุ่มแล้วถ้าเราไม่มีนี่บางคนนี่ถึงอยากจะฆ่าตัวตายกันเวลาที่ร่างกายเป็นอมตะอมภะพิกล พ, พ, พิการไม่สามารถที่จะเข้าสังคมได้ไม่สามารถที่จะไปทาอะไรได้ เคยเข้าสังคมเคยมีความสุขกับการใช้ร่างกายพาไปไหนมาไหนแล้วพอต้องมาเป็นคนพิการต้องพึ่งคนอื่นนี้มันจะทําให้จิตใจหดหู่มากแล้วมันก็คิดว่าวิธีออกก็คือการฆ่าตัวตายตการฆ่าตัวตายมันไม่ได้แก้ปัญหาเพราะผู้ที่สร้างปัญหาไม่ได้ใช้ร่างกายผู้ที่สร้างคําถามก็คือความอยากของเราที่ทําให้ใจเราไม่สงบทําให้ใจเราไม่มีความสุขนั้นเรามาฆ่าความอยากนี้ถ้าอยากจะฆ่าใคร ถ้าเราค่าความอยากด้วยการจเจริญสตินั่งสมาธิได้พอความอยากหายไปเราก็จะอยู่แบบร่างกายที่พิการนี้ได้ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายเรามีความสุขได้แต่ถ้าเราไม่ฝึกตั้งแต่บัด น, นี้พอถึงเวลานั้นมันจะทำไม่ได้มันจะไม่มีกจิตกใจไม่มีกําลังใจที่จะทำเพราะตอนนั้นมันมีแต่ความอยากจะหายอย่างเดียวอยากให้ร่างกายหายหรือไม่หายก็อยากให้มันตายไปเลย ต, ตายมันก็ไม่จบตายความอยากที่มีอยู่ในใจเรามันก็ไปกับใจเราต่อใจเราไม่ได้ตายแต่กรับร่างกายมันก็พาเราไปเกิดใหม่ไปหาร่างกายอันใหม่แล้วพอได้ร่างกายใหม่แ ล, ลหมแล้วก็มาทําแบบเดิมอย่างที่เราทําอยู่กันตอนนี้เราทําแบบนี้มาไม่รู้กี่ล้านครั้งแล้วเราจะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพบกับพระพุทธศาสนาที่จะสอนให้เรามาแก้ปัญหาที่แท้จริงก็คือความอยากที่มีอยู่ในใจของเรา ในการฝึกนั่งสมาธิทําใจให้สงบกันถ้าเราสามารถกําจัดความอยากได้ต่อไปเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปการไม่ได้เกิดไม่ได้คําว่าไม่ได้าไมดขาข่าว่าเราหายไปไหนเราก็ยังอยู่เพียงแต่เราอยู่แบบไม่ต้องมีร่างกายท่านั้นเองพระพุทธเจ้าตอนนี้ก็ยังอยู่พระสาวงทั้งหลายท่านก็ยังอยู่แต่ท่านไม่ต้องมามีร่างกายเพราะท่านไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วถ้ามีร่างกายก็ต้องทุกกับร่างกาย ขันตอนก็ต้องเลี้ยงดูมันเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหากินบากการตีนถีบแล้วก็เรามาทุกกับภัยต่างๆที่จะมากระทบกับร่างกายแล้วก็ตายไปอยู่ดีเฉั้นการมีร่างกายนั้นเป็นการมีความทุกข์ทุกย่อมมีแต่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์ก็อย่ามาเกิดกาจะไม่มาเกิดได้ก็ต้องไม่มีความอยากการจะไม่มีความอยากได้ก็ต้องทําใจให้สงบน การจะทาใจสงบได้ก็ต้องมีสติการจะมีสติได้ก็ต้องมีเวลาก็<笑><笑><笑>ต้องลาออกจากงานแล้วก็มามาบวชมาปฏิบัติกันแล้วก็จะได้สติได้ความสงบแล้วก็จะหยุดความอยากหยุดการเกิดแก่เกลียบตายหยุดความทุกข์ต่างๆได้ทุกอย่างมันเป็นเหตุเป็นผลคนลองพิจารณาดูที่เราพูดมานี่โกหกหรือเปล่าไม่ถูกต้องตามขหลักความเป็นจริงหรือเปล่า เรามาไปพิจารณาดูนะอันนี้ก็คิดว่าพอสมควรถ้าจะเหนื่อยนะก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยพูดคุยกันต่ออีกช่วงหนึง่งช่วงนี้จะให้ผนก่อนท <Okay. S 1> ำงานเกี่ยวกับอะไรเออบริษัทบริษัทรับหมายทําหมากา่อสนะร้างอแบานพคอนซูมย ทำทางนั้นช่วยบริหารบริษัทสร้างสถานีไปฟ้าเลยรักงานปตทเกี่ยวกับการก่อสร้างไหมไม่ว่าเกี่ยวกับเป็นถ้าเป็นโรงงานด้วยก็มีหลายหล่งเยอะจี๋ทำงานทุกที่มันมีปัญหาทั้งนั้นเพราะตัวแปรมันเยอะ ต้องทําใจจะไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันจะต้องเป็นอย่างที่เราวางแผนไว้เสมอต้องคอยปรับไปตามเหตุหาการณ์ไม่งั้นมันจะเครียดมาขับมาพังกับอาโคสองคนอปเดินนไปทีคืนวันเก่าวันที่สามเลยไหมคะเก็บตัวเก็บตัวฆ่ากิเลสมาฆ่ากิเลส ข้าความอยากความอยากตายแล้วใจสบายหายทุกไปงานตามสบายตอนนี้ก็มีถ่ายทอดสดนะถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กกับยูทูบอยู่ใชได้ได้ ถ้าอยู่บ้านอยู่ที่ไหนบ2ายสโมงก็ติดตามดูได้ในเฟซบุ๊ facebook พระอาจารย์สุชาติเนี่ยใส่ชื่อพระอาจารย์สุชาติเข้าไปแล้ว u t u b e ก็มีพระสุชาติไลฟ์อนนี้ถ่ายทอดสดอยู่ไปทั่วโลกคนอยู่หลายประเทศติดตามอยู่วันนี้เข้ามาเท่าไหร่ ตอนแร้มีสองรกสิบหกค่ะตอนนี้เหลือสองร้อยสามสิบหกค่ะคือทสามสิบเ็ตอนนี้เปิดโอกาสให้ถามปัญหาใครอยากจะถามอะไรที่พูดมาให้ฟังยังไม่เข้าใจตรงไหนก็ลองถามดูได้โทนี่กัชาลานไม่มาวัานนี้มาหรอป่ายัางไม่เข้ามาค่ะ โทนีอยู่ลาสเวกัสชาลานอยู่ศรีลังกาบางทีเขาก็ส่งข้อความเข้ามาเป็นภาษาอังกฤษถ้ามีคำถามก็ลองถามดูคำถามจาก a ฟ e b o o k Live จากคุณจินดาผมอยากฟังเรื่องปฏิจจสมุปบาทแบบง่ายๆครับแบบง่ายๆก็ลอง ปฏิจจะท่านว่าเริ่มต้นที่อวิชชาอาวิชชาคือความหลงความไม่รู้ความจริงว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ตรงไหนใจพวกเราทุกคนนี่ไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ตัวเราก็เลยถูกความหลงหลอกให้ไปหาความสุขจากข้างนอกความหลงนี่มันก็จะหลอกให้เราคิดไง คิดไปหาความสุขกันเช่นปีใหม่เราจะไปไหนดีก็ไปเที่ยวกันไปหาความสุขกันมันก็จะไปทางไปทางตาหูจมูกนิ้วกายใจมันก็จะคิดก่อนคิดเสียงแล้วมันก็ว่าต้องไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายมันก็เลยพาตาหูจมูกนิ้นกายไปดูรูปไปฟังเสียงก็มีการสัมผัสกันระหว่างตากับรูปเสียงจินตตาหูจมูกนิ้วกายพอสัมผัสกับรูปเสียงจินก็เกิด ความรู้สึกขึ้นมาเป็นความสุขกันฮะสุขกเวทนาพอเกิดความสุขกเวทนาก็เกิดความอยากให้มันสุขไปเรื่อยๆก็เลยต้องเที่ยวอยู่เรื่อยๆเวลาไม่ได้เที่ยวมันก็ทุกข์ก็เลยต้องไปเที่ยวกันอยู่เรื่อยๆปฏิจจมันก็เลยทําให้เรามีความอยากอยู่เรื่อยๆแล้วความอยากนี้มันก็เลยทําให้เรายึดติดกับสิ่งต่างๆที่ให้เราความสุขกับเราพอเราต้องจากมันไปเราก็อยากจะกลับมาหามันใหม่ แล้วก็กลับมาเกิดใหม่เขาเรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดเพราะเกิดจากความหลงในในใจเรานี่แหละที่ไม่รู้ว่าเราความสุขที่แท้จริงอยู่ในตัวเราอยู่ที่ความสงบของใจเราอันนี้เราจะได้ความรู้นี้ก็ตอบเมื่อมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุปพระพุทธเจ้าก่อนตัดสรุปท่านก็มีอวิชชามีความหลงเหมือนกันท่านก็หาความสุขเหมือนพวกเรา ท่านก็ไปเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะหาความสุขมีประสาทสามฤดูหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่พอวันหนึ่งท่านออกไปเที่ยวข้างนอกวงังไปเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นนักบวชก็ทําให้ท่านคิดขึ้นมาได้ว่าความสุขแบบนี้มันต่อไปมันจะต้องกลายเป็นความทุกข์เพราะร่างกายมันจะไม่สามารถที่จะหาความสุขได้ท่านก็เลยเห็นว่าทางออกก็คือต้องไปแบบนักบวช หาความสุขแบบนักบวชนักบวชเขาไม่หาความสุขจากร่างกายเขาไปหาความสุขจากการทำใจให้สงบกันแต่สมัยนั้นเขาเพียงจะททำใจให้สงบได้ชั่วคราวเวลาออกจากความสงบมาออกจากสมาธิมาพอไปคิดถึงเรื่องความแก่ความเจ็บความตายร่างกายใจก็ทุกข์ขึ้นมาใหม่ไม่มีใครรู้จักวิธีดับความทุกข์ใจจากความคิดได้พระพุทธเจ้าก็เลยต้องค้นคว้า หาดูก็ไปพบว่าความทุกข์ใจเกิดจากความคิดไปในทางความอยากพอไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็ทุกข์กันแต่ถ้ายอมรับความจริงว่าร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วไม่ไปอยากใจก็จะหายทุกข์พระพุทธเจ้าก็เลยได้ค้นพบาการหลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยการยอมรับความจริง ของสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่เป็นของเรามันไม่สามารถให้ความสุขกับเราไปได้เสมอต้องมีวันหนึ่งที่มันจะต้องกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อย่าไปพึ่งมันก็เลยหยุดความอยากที่จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายหยุดความอยากที่จะไปะมีความสุขกับคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อพอหยุดความอยากได้ความ ความผูกพันกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ไม่มีถ้ายังอยากอยู่ก็ยังผูกพันกับภรรยาสามีแต่ถ้าไม่อยากแล้วก็มันก็ไม่อยากมันก็ไม่มีความผูกพันไม่มีความผูกพันก็ไม่มีควางที่จะกลับมาหากันอีกสามีภรรยาบางคู่นี้ก็ยังอยากจะกลับมาเจอกันพบหน้าชาติหน้าอยู่เพราะเขารักกันก็มีความสุขจากกันละกันมีความผูกพันมันก็เลยทําให้มีภาวะที่จะกลับมาเกิดใหม่ แต่ถ้าเห็นว่าถึงมันจะมีความสุขแต่มันก็ต้องมีวันที่ไม่สุขเดี๋ยวต่อไปแกหรือเจ็บไข้ได้ป่วยหรือตายจากกันไปมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาก็เลยหยุดความอยากดีกว่ามาหาความสุขจากการทำใจให้สงบดีกว่าพอทำใจให้สงบได้ก็ไม่ต้องเพึ่งร่างกายไม่มีความอยากก็ไม่ต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป นี่คือปฏิจจส ม, มุปบาททั้งในทางของอวิชากะทางทางของธรรมะถ้าเราเปลี่ยนอวิชชาเป็นธรรมะเป็นความรู้ที่ถูกต้องความจรงิงความจริงก็คือความสุขอยู่ในตัวเราคือความสงบมาทําใจให้สงบ ด, ด้วยการหยุดความคิดสังขารอาวิชชาปัญญาสังขารเราก็หยุดมันใช้ธรรมะหยุดความคิดใช้สติหยุดความคิดพอสติหยุดความคิ ด, ค ด, ค ม, คดมันสงบมันก็ไม่ต้องออกไปหารูปเสียงกลิ่นรส ไม่ต้องไปสัมผัสกับสุขเวทนาที่เกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่มีตัญหาไม่มีอวิไม่มีอุปทานตามมาไม่มีภาวะไม่มีภพตามมาไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายตามมาถ้าเราได้พบกับความสงบแล้วเราก็จะเลิกคหาวความสุขทางร่างกายได้เรียกได้ว่วานี่ปฏิจจส ม, มุป บ, บาททั้งทางทางที่ทําให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดคือวิชาปัญยาสังขาร ถ้าเรายังคิดจหาความสุขนอกตัวเรานี้แสดงว่าเรา movement, ยัางหลงอยู่ยังไปหาความทุกข์ไปหาการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ถ้าเราต้องการจะหาความสุขที่แท้จริงต้องหาความสุขในตัวเราเม re re ื่อเรามีความสุขในตัวเราเราก็ไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสมาให้ความสุขกับเราเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปแต่เราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็อยู่ต่อไปอย่างสบาย พวกเราทุกคนในขณะนี้เราไม่ได้ตัวเราจริงๆไม่ได้อยู่ในโลกนี้นะตัวเราอยู่ในโลกทริปเพียงแต่เราส่งกระแสจิตมาเกาะติดอยู่กับร่างกายนี้ร่างกายนี้ถ้าเปรียบเทียมเหมือนกับหุ่นที่เขาใช้กู้ระเบิดคนที่ควบคุมหุ่นกู้ระเบิดนี่อยู่อยู่บนอยู่ที่ตัวหุ่นหรือเปล่าอยู่คนละที่ใช่ไหมเพราะอยู่ด้วยกันเนี๋ยเกิดระเบิดตูมันก็ตายทั้งคู่นคนที่ควบคุมหุ่นนี่เขาอยู่อีกที่หนึ่ง แต่ก็ใช้กระแสวิทยุใช่ไหมคอยสั่งให้หุ่นมันไปทำอะไรต่างๆมีกล้องให้ดูมีเสียงให้ฟังรับเสียงได้จิตเราก็เหมือนกับผู้ควบคุมหุ่นกู้ระเบิดเนี่ยร่างกายล้วเนี่ยเป็นเหมือนหุ่นกู้ระเบิดจิตอยู่ที่หนึ่งอยู่ในโลกทิพย์ร่างกายนี่อยู่ในอยู่ในโลกธกาตุโลกดินน้ำลมไฟธาตุ่แล้วก็ใช้กระแสจิต กระสดจิตที่มาเกาะที่ตาหูจมูกนิ้นกายเพื่อที่จะได้รับข้อมูลทางตาหูจมูกนิ้นกายไปให้กับจิตอีกที่นึ่งจิตก็จะเห็นภาพได้ยินเสียงร่างกายนี่มันไม่รู้เรื่องมันเป็นเหมือนตัวหุ่นเป็นเหมือนกล้องถ่ายรูปเนี่ยมันถ่ายรูปแตม่มันไม่รู้ว่ามันถ่ายอะไรหรอกคนที่รู้ก็คือคนถ่ายเนี่ยจิตรู้ว่าภาพเป็นอะไรแต่ร่างกายไม่รู้ให้มันดูอะไรมันก็ดูได้หมดนมันไม่ ฟังอะไมันก็ฟังได้หมดแต่คนที่เดือดร้อนไม่ใช่ร่างกายเวลาเห็นภาพไม่ถูกใจใครเดือดร้อนใจเ่ยเพราะใจเป็นคนไม่พไม่ชอบใจขึ้นมาเองเสียงก็เหมือนกันพอได้ยินเสียงด่าก็ไม่พอใจขึ้นมาร่างกายไม่เห็นเดือดร้อนมันก็ส่งมันก็ส่งข้อมูลผ่า น, านทางหูไปมันรับเสียงเข้ามาทางหูมันก็ส่งไปให้ที่ทใจเนี่ยนี่คือพยายามจะแยกแยะเห็นว่าตัวเราเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ร่างกายตัวเราอยู่ใน ที่ใจอยู่ในโลกทิพย์เนี่ยเวลาอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายไม่ได้เกิดขึ้นกับเราหรอกเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมมีร่างกายก็ไม่มีหรือไม่มีร่างกายก็อยู่ในโลกทิพย์เหมือนกันอย่างตอนนี้พระพุทธเจ้าก็อยู่ในโลกทิพย์พระสาวกทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านตายไปแล้วท่านก็อยู่โลกทิพย์เพียงแต่ว่าท่านไม่ส่งกระแสจิตมาหามาเกาะกับร่างกายนี้เลยเราเอามาส่งกระแสจิตมาเกาะตั้งแต่พอมันตั้งท้องอยู่ในตั้งอยู่ในท้องแม่เนย อเกิดการปฏิสนธิเกิดการผสมพันธ์ขึ้นมาปั๊บมันก็เข้าไปพอมีการเกาะตัวขึ้นมาปั๊บกระแสจิตกระแสวิญญาณทั้ง5้านี้ก็มาเกาะทางตาหูจมูกเล่นกายแล้วพอล่างออกมาจากท้องแม่มันก็ใช้ร่างกายนี้พาไปดูไปฟังไปทําอะไรต่างๆเพื่อจะได้เกิดความสุขแต่ความสุขของทางนี้มันก็มีทั้งสุขและทุกข์ถ้าไปเจอภาพไม่ดีก็ทุกข์ จะไปเสียงไม่ดีก็ทุกข์แต่เราก็ยังอดไม่ได้เพราะยังมันก็มีภาพที่ทาให้เราสุขมีภาพที่แรามีเสียงที่ทาให้เราสุขเวลาเจอเสียงหรือภาพที่ทำให้เราทุกข์เราก็หนีมันหรือกำจัดมันไปแต่กำจัดงานมันก็ไม่หมดเดี๋ยวมันก็มาใหม่ที่ปัญหาของพวกเราก็อยู่ตรงนี้อยู่ที่มาหาความทุกข์กันโดยไม่รู้สึกตัวเพราะความทุกข์มันเป็น เปนอีกด้านหนึ่งของความสุขไเหมือนกับเป็นเหรียญเหรียญมันมีสองหน้าเราคิดว่ามันมีสองหน้าเหมือนกันแต่มันมันหน้าไม่เหมือนกันมีหัวมีก้อยความสุขมันก็มีความทุกข์อีกด้านรอความสุขนี้ดับไปความทุกข์ก็โผล่ขึ้นมาแทนเราก็เลยต้องเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆพอทุกข์ปั๊บมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนแลเอาเด้านที่เป็นความสุขขึ้นมาเปลี่ยนเท่าไหร่มันก็เดี๋ยวก็กลายเป็นความทุกข์ไป ทุกอย่างมันเกิดแล้วมันก็ต้องดับนี่แต่ถ้าเราไม่มีร่างกายเรามีความสงบเราก็ไม่ต้องมีร่างกายเราก็อยู่ในโลกที่ไปโดยที่ไม่ต้องมาทุกกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับทางร่างกายนี่พระพุทธเจ้าตอนนี้พระสาวกทั้งหลายตอนนี้ท่านก็ยังอยู่เหมือนกับตอนตอนที่มีร่างกายแต่ตอนนี้ท่านไม่ต้องมีร่างกายแล้วเพราะท่านมีปัญญาท่านมีความรู้ ท่านแก้ความหลงได้แล้วว่าการหาความสุขผ่านทางร่างกายเป็นการหาความทุกข์ท่านก็เลยหยุดหาเท่านั้นเองท่านก็อยู่กับความสุขที่ได้จากการหยุดความอยากจากการทำใจให้สงบเนี่ยท่านเรียกว่านิพานเนี่ยจิตของท่านเป็นนิพานแลเพราะจิตฉลาดและไม่ง่อแล้วรู้แล้วว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ในตัวของตนเองอยู่ในการหยุดความอยากอยู่ในการทาใจให้สงบนี้เท่านั้น พอใจท่านสงบไม่มีความอยากท่านก็เลยไม่ต้องส่งกระแสจิตมาหาร่างกายตอนนี้พระพุทธเจ้าก็ยังอยู่พระสาวกทั้งหลายก็ยังอยู่จิตทุกดวงไม่มีวันตายมีอยู่แต่ว่าจะไปส่งกระแสจิตไปก็ร่างกายหรือไม่เท่านั้นเองพวกเรายังมีความอยากอ ย, กอยู่ก็เลยยังส่งกระแสจิตไปเห็นไหมอัตอวิชาปัจจยาสังขารสังขาระเปความคิดปรุงแต่ง พอคิดปุงแต่งปั๊มันก็นไปส่งให้ไปสั่งให้อวิสังขาราปัจจะยาวิญญาณังให้ส่งวิญญาณไปหารูปเสียงกลิ่นรสไปไปหาตาหูจมูกลิ้นกายก็ไปหาร่างกายนี้เองพอมีร่างกายก็จะมีตาหูจมูกลิ้นกายพอมีตาหูจมูกลินกายก็จะมีสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสขึ้นมาพอสัมผัสก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาสุขบ้างทุกบ้าง ส่วนใหญ่ก็จะหาสัมผัสที่เป็นสุขกันใช่ไหอนั้นที่เป็นทุกข์ก็หนีกันจะหาแต่ความสุขกันบางเวลาหนีไม่ได้ก็ทรมานใจแล้วบางเวลาไม่สามารถหาความสุขได้มันก็เหงาเศร้าสร้อยง่อยเหงาว้าวเวขึ้นมานี่คือความสุขที่เราหากันถ้าหาได้ก็ดีไปถ้าหาไม่ได้ก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแล้วสักวันนึงก็ต้องหาไม่ได้เพราะร่างกายเดี๋ยวมันก็ต้องจบ ต้องแก่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยต้องตายถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาคน้คนพบความจริงอันนี้เราก็จะหลงหาความสุขแบบนี้ไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ยังหาอยู่อันนี้ได้ยินได้ฟังก็ยังหยุดไม่ได้อยู่สู้ความอยากไม่ได้เพราะยังไม่มีกำลังทำใจให้สงบทำใจให้มีความสุขได้ขั้นต่อขั้นตอนต่อไปก็คือหลังจากได้ฟังแล้วก็ ลองเอาไปทำดูลองไปหาวันว่างๆสักวันหนึ่งลองอยู่เฉยๆลองไม่เที่ยวไม่หาความสุขทางทางร่างกายดูลองถือศีลแปดดูแล้วลองควบคุมใจด้วยสติดูพุทโธพุทโธไปดูนั่งสมาธิไปดูถ้าจิตมันสงบเมื่อไหร่มันจะล้องอ๋อกึ้นมาทันทีแล้วมันก็จะเปลี่ยนเส้นทางเดินจากการที่จะไปหาความสุขทางร่างกายก็จะถอยออกมา มาหาความสุขทางใจโดยตรงเด็กะมาหาความสุขจากศีลสมาธิปัญญาจากสติสมาธิปัญญานี่ก็คือเรื่อง ป, ปฏิจจส ม, มุปบาทโดยเข้าๆตามความรู้สึกของเราเนี่ยถูกผิดอย่างไรเราไม่ไม่กล้าไม่กล้ายืนยันถ้าคนอื่นคิดว่าไม่ไม่ถูกก็ไม่ว่าอะไรทางใครทางมันก็แล้วกันคำถามจากคุณฟอสฟู ตอนนี้ป่วยคุณหมอบอกว่าต้องทานปลาเพื่อให้โปรโตีนเพียงพอแต่ตนเองเลือกที่จะไม่ทานเนื้อสัตว์เพราะทานเจมานานแล้วเป็นการทําบาปกับตนเองและคนที่คอยดูแลเราหรือไม่คะ อ, อ๋อไม่หรอก เ, เราไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจะไปทําบาปได้เลยแล้วก็เพียงแต่ว่ามันอาจจะทําให้การรักษาร่างกายเรามันฟื้นฟูยากขึ้นเพราะขาด อาหารที่จะช่วยทำให้ร่างกายมันจเจริญ ต, ติบโตแข็งแรงขึ้นมาแต่ถ้าเรายังจะรักษาศีลยิ่งกว่ารักษาชีวิตก็ไม่เป็นไรเพราะศีนี้มีคุณค่ากว่าชีวิตชีวิตนี้มันก็อยู่แค่อายุ 80-90 เดี๋ยวมันก็ตายไปถ้าเราไม่รักษาศีนตายไปเราต้องไปใช้กรรมต่อแทนที่จะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเราก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานแทน ไปตกนาลกแทนได้เอ่อยังถ้าเราถ้าเราเห็นโทษของการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยแล้วเราไม่ฆ่าอย่างนี้เราก็จะปลอดภัยจากการไปเกิดในอาบายแต่การกินเนื้อสัตว์นี้ก็ไม่ได้เป็นบาปเหมือนกันถ้าเนื้อสัตว์ที่เรากินนี้เราไม่ได้ฆ่าเองเรื่มไปสั่งให้เขาฆ่าแต่เราไปซื้อเนื้อสัตว์ที่เขาตายแล้วที่เขาขายในตลาดอย่างนี้โดยที่เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆ่าของ ของเนื้อสัตว์นั้นเราซื้อมากินนี่ก็ไม่บาปแต่อย่างใดแต่เราอย่าไปสั่งข้าล่วงหน้าเช่นไปที่ร้านแนละ้วบอกพวกนี้เอาไก่ให้ตัวหนึ่งนะถ้าสั่งไว้อย่างนี้สั่งไว้ล่วงหน้านี้ก็ต้องเขาต้องไปฆ่ามาให้เราอย่างนี้ก็เถื่อบาปแต่ถ้าเราไปตลาดแล้วไปดูว่ามีอะไรขายมีกุ้งตายมีปลาตายมีอะไรตายเราอยากจะกินก็ซื้อมากินได้มันก็เหมือนกับกินผักมันไม่มีทอดไม่แต่อย่างใด ทษอยู่ที่คนข่าแล้วเขาฆ่าก็เพราะเขามีอวิชชาความหนงเขาคิดว่าเขาต้องมีเงินเพื่อจะได้เอาเงินไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเขาก็ต้องมีอาชีพและอาชีพที่เขาทำง่ายก็คือการค่าเขาก็เลยไปจับปลาจับอะไรมาขายมาค่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาเพราะเขาไม่รู้ว่ามันเป็นบาปแต่ถ้าเขามีคนสอนมาวัดมาฟังเทศฟังธรรมเขาก็อาจจะเลิกค่าก็ได้ เขาก็อาจจะเลิอกอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะครแต่อันนี้เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของคนที่ไปซื้อของที่เขาขายดังั้นเพียงอยากจะแยกแยะให้ดูว่าการกินเนื้อสัตว์นี้ก็ไม่บาปถ้าเนื้อสัตว์ที่เรากินนี้เราไม่ได้ฆ่าเองเนื้อสัตว์ให้เขาฆ่าคําถามจากคุณพวงแก้วถ้าเราสวดมนต์นั่งสมาธิแต่ไม่ได้จุดธูปเทียนบูชาก่อนได้ไหมคะับมันไม่เกี่ยวกันเนี่ย ทุบเทียนก็เรื่องของทุบเทียนเนี่ยนั่งสมาธิมันอยู่ที่สติถ้าจุดทุบเทียนแล้วนั่งไม่มีสตินั่งมันก็ไม่ได้ผลอยู่ดีถ้านั่งมันมีสติแต่ไม่ได้จุดทุบเทียนมันก็ได้ผลการจุดทุบเทียนนี่มันเป็นการแสดงความคารวะก็เรียกว่าอามิสบูชาเราแสดงความเคารพต่อพร ะ, ะ, ะ, ะพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้ามีพระพุทธรูปเราก็จุดทุบเทียนแสดงความเคารพไป การแสดงความเคารพโดยไม่จุดธูปเทียนก็ได้ที่เรากราบเฉยๆนี่ก็เป็นการแสดงความเคารพแล้วและการเคารพแบบนี้ก็สู้การเคารพอีกแบบหนึ่งไม่ได้การเคารพหรือบูชานี่มีสองแบบเรียกว่าอามิสบูชาก็เคารพด้วยดอกไม้ธูปเทียนของสักการะต่างๆกราบไหว้กันอันนี้เรียกว่าอามิสบูชาแล้วมีการเขาเรียกว่าปฏิบัติบูบชา คือการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้แหละเป็นการบูชาที่แท้จริงพระพุทธเจ้าต้องการปฏิบัติบูชาท่านไม่ต้องการอมิสบูชาเพราะว่าอมิสสบูชาไม่ได้ทาให้เกิดประโยชน์กับเราเท่าที่ควรเกิดเล็กน้อยสู้การปฏิบัติบูชาไม่ได้ถ้าเปรียบเทียบก็ประมาณ1ต่อ10อย่างนี้ปฏิบัติบูชาได้10เท่าของการอมิสบูชา ถ้านอนกาให้เราปฏิบัติเพราะปฏิบัติแล้วจิตเราจะสงบจิตเราจะพ้นทุกข์กันถ้าเรากล่าวไหวบูชานี้เรายังไม่พ้นทุกข์จิตยังไม่สงบคําถามจากคุณป้อมการกล่าวถึงผู้อื่นในความรู้สึกของเราว่าเขาไม่ดีโดยที่เขาไม่ได้ยินบาปไหนคะ และเมื่อเรารู้สึกว่ากำลังพูดถึงเขาไม่ดีเราก็บอกกันว่านี่เรากำลังคิดไม่ดีกับเขาอยู่ถือว่าความคิดหรือการพูดนี้ผิดศีลไหมคะมันไม่ถึงกับขั้นผิดศีลถ้ามันเป็นความจริงแต่ถ้าเราไปใส่ร้ายเขาโดยที่มันเป็นความเท็จอย่างนี้ก็เรียกว่าผิดศีลเพราะเราพูดเท็จแต่แม้กระทั่งพูดความจริง ก่าวร้ายผู้อื่นถ้าไม่มีเหตุผลจำเป็นที่ต้องพูดก็ไม่ควรพูดเพราะว่ามันจะไปสร้างศัตรูโดยใช่เหตุแต่ถ้าจำเป็นต้องพูดก็พูดได้ขอให้เป็นพูดไปตามความเป็นจริงถ้ามีการสอบสวนบริษัทเขาต้องการสอบสวนว่าใครทำผิดีแล้วเรารู้ว่าใครทำผิดเราต้องรายงานก็เราก็รายงานไปตามความเป็นจริงแต่อย่าพูดด้วยอารมณ์อ ย, อย่าพูดด้วยความเกลียดชัง ไม่เกิดประโยชน์อะไรไปว่าร้ายผู้อื่นกล่าวร้ายผู้อื่นจะทําให้ผู้อื่นเขาโกรธเราเกลียดเราถึงแม้ถ้าตัวเขาไม่ได้ยินเองก็ตามคนที่ฟังเขาก็จะไม่ชอบเราเขาว่าบากเราไม่ดีทํำไมไม่พูดถึงสิ่งที่ดีกันใช่ไหมเออพระเจ้าบอกว่าอย่าพูดร้ายต่อกันอย่าทําร้ายกันจะดีกว่าการพูดร้ายต่อกันกล่าวร้ายต่อกันนี่เป็นการขาดความเมตตางไม่มีความเมตตา คำถามจากคุณบอยจะปฏิบัติทำอย่างไรให้เกิดผลและเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเกิดผลเช่นเราตั้งใจไว้ครับก็เหมือนการกินข้าวถ้าไม่กินมันก็ไม่รู้มันก็ไม่อิ่มนะงั้นขั้นแรกต้องกินกินแล้วมันก็จะรู้เองว่าอิ่มอิ่มหรือไม่อิ่มถ้ายัางไม่อิ่มก็กินไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็อิ่มเองการปฏิบัติก็เริ่มต้นที่ศีลรักษาศีลให้ได้โดยเฉพาะศีลแปดถ้าอยากจะปฏิบัติรักษาศีลแปดได้ แล้วก็จเจริญสติต่อแล้วควบคุมความคิดหยุดความคิดนั่งสมาธิถ้าจิตสงบมันก็มันก็ได้ได้ผลขึ้นมาคาถามจากคุณพิมพรการที่เราเรียนไม่สูงเวลาเขียนก็ยังไม่คล่องแต่พอเราสวดมนต์เป็นเราก็เขียนได้คล่องเหมือนกันจิตของที่ฉันเป็นอย่างไรคะไม่เป็นอย่างไรหรอกการศึกษานี่มันอยู่ที่โอกาสบางทีเราไม่มีโอกาสเราก็ อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่พระสมัยก่อนเขาก็อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เป็นพระอาหารกันเยอะแยะไปเพราะจิตไม่ต้องไม่ต้องเรียนรู้จากการอ่านอ่านก็ได้เรียนรู้จากการฟังก็ได้สมัยก่อนเขาฟังกันอย่างเดียวเพราะการศึกษาไม่แพร่หลายคนส่วนใหญ่ไม่อ่านออกเขียนไม่ได้กัน forgiving. แต่พระตายปิโดกนี้ที่มาเป็นพระตายปิโดกในปัจจุบันนี้เพราะอาศัยคนท่องกันจากันมาพระ ท่านอาศัยการท่องจคำคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการสอนตัวเองไปในตัวและเป็นการถ่ายทอดคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นการทำสมาธิไปในตัวด้วยเพราะเวลาเราท่องคําสอนนี้เราก็จะไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสคิดถึงเรื่องการไปเที่ยวไปทำอะไรไม่ได้มันก็จะทําให้ใจเราสงบเขถึงนิยมในสมัยพุทธกาลที่ก็จะสวดกันท่องกันท่องคาสอนของพระพุทธเจ้ากัน ต่อมาปัจจุบันเริ่มมีการศึกษาเริ่มมีการอ่านออกเขียนได้ก็เลยเลกท่องกันแล้วอย่างนี้เอามาพิมพ์เป็นหนังสือกันแล้วก็เลยอยู่เราอยู่แต่ในตู้เลยไม่ได้อยู่ในใจของคนคนเลยไม่รู้ธรรมะกันสมัยก่อนคนก็ต้องท่องกันก็เลยรู้ธรรมะคำสอนกันสมัยนี้เราเลยไปเอาเวลาไปเรียนอย่างอื่นแทน เพื่อเราจะได้หาเงินหาทองจะได้เอาเงินทองมาซื้อความสุขต่างๆกันแต่เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะต้องหมดไปในวันใดวันหนึ่งแล้ววันนั้นเราก็จะทุกข์เพราะเราจะไม่มีธรรมะมาสอนเราให้เรารู้จักวิธีหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้ร่างกายกันหมดแล้วเหรอคำถามจากคุณแบงค์ก่อนนอนสวดวนบทไหนดีครับสวนบทไหนก็ได้ไม่สวดก็ได้ พุโทโธคําเดียวก็ได้หรือดูลมหายใจเข้าออกก็ได้นั่งสมาธิได้ก็นั่งไปเลยถ้านั่งไม่ได้ก็อยากจะสวดอะไรก็สวดไปการสวดนี่ก็เป็นการฝึกสติเป็นการทำสมาธิเท่านั้นเองอยิ่งถ้าเราพุโทโธได้เราก็นั่งพุโทโธไปหรือดูลมหายใจไปจนกว่าเราเราจะหลับล้วก็ลงไปนอนต่อไปคาถามจะกคุณจากกรี ให้พระอาจารย์แนะนำจิตก่อนที่จะดับหรือก่อนตายเพื่อที่จะมีที่พึ่ ง, งในภพต่อไป อ, อ๋อจิตร่างกายมันจะตายได้ทุกวันเนี่ยมันตายตอนนี้ก็ได้ยิ่งเราต้องเตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้คิดว่าวันนี้อาจจะเป็นวันตายของเราก็ได้วิธีที่จะตายอย่างสบายก็ต้องทำใจให้สงบให้ได้ต้องมีสติควบคุมความคิดควบคุมความอยากให้ได้เพราะเวลาจะตายนี่มันจะเกิดความอยากไม่ตายขึ้นมา พออยากไม่ตายมันจะทรมานมากมันจะกลัวมากถ้าเราหยุดความอยากไม่ตายได้ปองได้อะตายก็ตายมันไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าเราแยกใจออกจากกายได้ก็ปล่อยให้ร่างกายตายไปใจก็จะไม่จะไม่ไม่ทุกข์กับความตายเลยถ้าแยกไม่ได้อย่างน้อยก็หยุดความอยากด้วยพุทโธไปบริกรรมพุทโธทําใจให้นิ่งอย่าไปคิดถึงความตายมันจะตายก็เหมือนนอนหลับเท่านั้นเอง เวลาเรานอนหลับแล้วก็ตายชั่วคราวรู้กันว่าเป็นแต่เรายังตื่นตอนเช้าเนี่ยตอนที่เราตายนี้จิตเราอยู่ในโลกทิพย์แล้วมันเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับร่างกายนะใช้ร่างกายทํางานไม่ได้ละร่างกายมันนอนหลับตาจิตก็เลยต้องหาความสุขในโลกทิพย์ด้วยความฝันไงความฝันนี่ก็เป็นการหาความสุขหรือหาความทุกข์ของจิตขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่เราทําไว้ถ้าเราทําบาปมันก็จะฝันร้ายถ้าเราทําบุญมันก็จะฝันดีเย แล้วพอตื่นขึ้นมามันก็กลับมาหาความสุขผ่านทางร่างกายใหม่เราตายสั้นๆเราตายทุกวันเกิดทุกวันแล้วพอตายจริงๆก็เดี๋ยวก็กลับมาเกิดใหม่เวลามาอยู่ในท้องแม่ออกจากท้องแม่ก็มาตื่นใหม่แล้เปลี่ยนร่างกายเท่านั้นเทานั้นไปไปเปลี่ยนร่างกายร่างกายมันเก่ามันใช้ไม่ได้แล้วก็เลยต้องไปเปลี่ยนร่างกายก็เหมือนนอนหลับไปเวลาเปลี่ยนร่างกายก็เหมือนนอนหลับไป เวลาตายก็หลับไปพอได้ร่างกายพอเกิดมาก็ตื่นขึ้นมาใหม่ก็มีท่านนี้ชีวิตของเราก็เกิดดับเกิดดับนอนหลับแล้วก็ตื่นตื่นแล้วก็หลับอย่างเงี้ยตื่นหลับแบบร่างกายอันเดียวกันกับตื่นหลับแบบร่างกายอันใหม่ีบางทีมันไม่ได้ร่างกายของมนุษย์เท่านั้นสิมันบางทีไปได้ร่างกายของหมาบ้างของแมวก็ก็อยู่ที่บุญที่บาปเราทากันนี้ถ้าเรารักษาสีห้าได้เราก็จะไม่ต้องมีร่างกายของของหมาของแมว ก็จะได้ร่างกายของมนุษย์อยู่เรื่อยๆคาถามจากคุณจินเยียใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขคะก็เนี่ยที่พูดมาต้องเกือบสองชั่วโมงนี่ก็ให้ทำบุญทำทานให้รักษาศีลให้นั่งสมาธิาให้ฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาอันนี้เป็นวิธีหาความสุขที่ถูกต้องที่ดีที่สุดเป็นความสุขที่บริสุทธิ์ไม่มีความทุกข์ตามมา ถ้าหาความสุขแบบกินเหล้าเมายาไปเที่ยวกันไปนอนร่วมกันเดี๋ยวมันจะต้องมีความทุกข์ตามมาต่อไปคําถามจากคุณวิไลทาเนื้อหมูหนึ่งกิโลก ร, รมัมกับทานปลาหนึ่งกิโลก ร, รมอย่างไหนบาปกว่ากันคะถ้ามันเราไม่ได้ฆ่ามันไม่ได้บาปเมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าแต่ถ้าเราฆ่ามันก็แล้วแต่ว่าเราฆ่าปลากี่ตัวล่ะถ้าปลาถ่าปลาสิบตัวก็ต้องกลับมาเกิดเป็นปลาเพราะฆ่าสิบตัวสิบครั้ง ถ้าค่าหมูตัวเดียวก็กลับมาเกิดเป็นหมูแล้วฆ่าหนเดียวคำถามจากคุณธันธารการจุดทุบเทียนไหว้พระได้บุญอย่างไรครับก็อย่างเมื่อกี้อธิบายได้ไดความเคารพไงได้สมาคารวะเป็นผู้อ่อนน้อมไม่ได้เป็นผู้อถือเนื้อถือตัวคนเราจะคบค้าสมาคมโดยเฉพาะคนที่เขาเก่งกว่าเราที่เขาดีกว่าเราเราก็ต้องอ่อนน้อมให้เขา ถ้าเราอ่อนน้อมเขาก็จะยินดีที่จะสงเคราะห์เราช่วยเหลือเราแต่ถ้าเราไม่อ่อนน้อมเขาก็ไม่อยากที่จะมาช่วยเหลือเรามันก็ได้ประโยชน์ตรงนั้นคำถามจากคุณพีรักษ์การไหว้เจ้าตามประเพณีจีนจัดเป็นศีลพุทธปรามาหรือไม่ครับก็ก็มันไม่ได้ดับความทุกข์มันไม่มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมันไม่ได้ทำจิตให้อ่กิเลสมันตายไป การกระทำอะไรต่างๆที่ไม่ได้ฆ่ากิเลสนี่มันก็ถือว่าเป็นเป็ น, ปนศีลละพัฒปลาละมาสทั้งนั้นแต่การทำทานรักษาศีลภาวนาเนี่ยเป็นการฆ่ากิเลสฆ่าความอยากความโลภต่างๆการทำบุญในพระพุทธศาสนาสิประการเนี่ยเป็นวิธีฆ่ากิเลสเราเหนือนั่นมันเป็นวิธีไม่ได้เป็นมันไม่ได้ฆ่ากิเลสปีชงแล้วให้ทาอะไรปีปีชงก็ชงไป หากาแฟมาชงกินนะหรือให้ไปบูชาลาหุนมันได้เลยไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลนันมันได้เลยมันก็ไม่ได้ค่ากิเลสแต่อย่างใดแต่ถ้าทาบุญทาทานนี่มันค่าเนี่ยแทนที่ยำเงินไปซื้อของที่เราอยากได้เอามาทำบุญแทนนี่ก็ค่าความอยากนะค่าความอยากใช้เงินไปซื้อความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์เวลาไม่มีเงินใช้มันก็จะทุกข์อันนี้ก็ การไการรักษาศีลก็เป็นการหยุดความอยากที่จะไปฆ่าผู้อื่นไปโกหกผู้อื่นไปโกงผู้อื่นการภาวนานั่งสมาธิก็ทำใจให้สงบหยุดความอยากเนี่ยการทำบุญต้องทำตามที่พระเจ้าสอนเท่านั้นถึงจะไม่เป็นศีลรับภัตตาปรามาวิธีอย่างอื่นดับความทุกข์ไม่ได้ที่เราทำพิธีกรรมต่างๆเพราะใจเราไม่สบายใช่ไเราก็เลยไปหาหมอดูบ้างไปหาสินแสบ้างไปดูฮวงจุ้ยบ้าง แล้วเขาก็บอกให้ทำอย่างงว้นทางนี้เราก็เลยคิดว่าเราได้ดับความทุกข์แล้วเดี๋ยวพอเหตุการณ์เกิดขึ้นมาเราก็ทุกข์ใหม่อีกข้อที่สองหากคุณพ่อคุณแม่ไหว้เจ้าทั้งที่โรงเจและที่บ้านลูกๆควรวางตัวหรือปฏิบัติอย่างไรให้เหมาะสมคือไม่ผิดใจท่านและไม่ผิดจากคาสอนของพระพุทธเจ้าครับก็เรื่องของท่านไงการจะทํางก็เรื่องของท่านไม่เกี่ยวกับเรา ถ้าท่านไม่มาปรึกษาเราเราก็อย่าไปพูดอะไรพ่อแม่นี่เราไปสั่งไปสอนไม่ได้แต่ถ้าท่านอยากจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ทำอะไรบ้างเราก็บอกได้ว่าให้ทำทานอย่าไปไหว้เจ้าเลยไหว้เจ้าแล้วก็เอามากินเองเอาของไปไหว้เจ้าคนจีนก็ชอบเงี้ยไหว้ไหว้เจ้าก็ได้กินไหว้พระเลาไม่ได้กินใช่ไหยเอาของไปวางไว้สักครึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเสร็จแล้วก็เอามากินกันแล้วมันได้อะไร ไม่ได้เสียสละอะไรเลยการไหว้พระหรือการใส่บาตรพระนี่เป็นการเสียสละเป็นการทำทานเป็นการตัดกิเลสความความอยากได้ของเยอะๆแต่นี่อยากจะได้เอาของที่เรามีนี้ไปให้คนอื่นให้มันมีของน้อยๆมีมากแล้วมันทุกข์มากมีน้อยแล้วมันทุกข์น้อยกว่าคำถามจากคุณป้อม ทุกวันดูข่าวเกี่ยวกับพระสงฆ์องค์หนึ่งซึ่งกำลังเป็นข่าวอยู่แล้วไม่จะบายใจคิดไม่ดีกับพระที่ทำให้เกิดข่าวบาปไหนคะเราก็ต้องรู้จักใช้ปัญญาสิว่าพระสงฆ์ตามที่พระเจ้าทรงกำหนดนั้นมีอะไรคุณสมบัติอย่างไรสุปฏิปันโนอุชุยายะสามีจิปฏิปันโนนี่เป็นอย่างไรแล้วถ้าใครมานุ่งเหนือห่มเหลืองโกนศีรษะแล้วไม่ ปฏิบัติตามที่พระเจ้าสอนให้ปฏิบัติก็ไม่ถือว่าเป็นพระ้นเราต้องอย่าไปดูที่ผ้าเหลืองอยู่ที่การโคนศรีรษะอย่าไปดูที่ว่าอยู่ในวัดเนี่ยต้องดูการปฏิบัติวามประพฤติของเขาว่าเขาประพฤติตัวอย่างไรถูกพระวินัยหรือไม่งั้นถ้าไม่ถูกก็คิดว่าเป็นไม่ได้เป็นพระก็แล้วกันแต่มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของเราที่จะไปกล่าวร้ายท่านหรือไปประนามท่าน ท่านอยากจะเป็นภาพปลอมก็เรื่องของท่านเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับท่านกนแล้วกันแล้วก็ไปหาพระจริงกันก็นแล้วกันไปหาพระที่เป็นสุปฏิปันโนอุชุยายะสามิจิปฏิปันโนกันก็แล้วกันคำถามจากคุณรามโมสแก่นแท้พุทธศาสนาคืออะไรก็ ค, คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงคำถามจากย o u ู e ครับจากคุณทวีศักดิ์ พระอาจารย์ครับถ้าคนไม่นับถือศาสนาพุทธจิตจิตเข้าจะไปอย่างไรบ้างที่มีการสภาพบาปอย่างนี้เราจะบอกแนวทางที่ถูกกับคนอื่นอย่างไรครับคนไม่นับถือศาสนาพุทธก็เหมือนกับคนไม่เชื่อคนตาดีคนตาบอดที่ไม่เชื่อคนตาดีคนตาบอดถ้าไม่เชื่อคนตาดีแล้วจะไปไหนได้ละ่ะอยากจะเดินทางไปไหนไปเองได้หรือเปล่า มันก็วนหลงอยู่นั่นแหละมันไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการจะไปได้พระพุทธเจ้านี้เป็นคนตาดีท่านเห็นทางสู่การพ้นทุกข์ถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าแล้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าก็จะพ้นทุกข์ได้ถ้าไปเชื่อคนตาบอดที่ไม่รู้จักทางพ้นทุกข์เขาก็ไม่สามารถที่จะพาเราให้ไปพ้นทุกข์ได้คํำถามจะคุณลอยร่างกายเป็นของไม่เที่ยง ถ้าป่วยร้ายแรงควรเร่งความเพียรบำเพ็ญบุญบารมีแทนที่จะเสียเงินมากมายรักษา <c oughs> เดือดร้อนครอบครัวพิจารณาอย่างนี้ถูกไหมครับมันควรจะทําตั้งแต่ยังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะเวลาเจ็บไายได้ป่วยมันสายไปเสียแล้วมันไม่ทันการเหมือนกับเรียนหนังสือเนี่ยเราต้องทําการบ้านอยู่เรื่อยๆดูหนังสืออยู่เรื่อยๆไม่ใช่มารอวันสุดท้ายก่อนจะเข้าห้องสอบแล้วค่อยมาดูมันไม่ทันสอบตกแน่ๆถ้าทําอย่างนั้น อันนี้ก็เหมือนกันเราก็ต้องสร้างบุญสร้างกุศลปฏิบัติทําให้มากๆากตั้งแต่ตอนที่เรายังแข็งแรงอยู่เอาเวลาร่างกายเจ็บคข้ได้ป่วยเราก็จะสามารถเอาธรรมที่เราสร้างขึ้นมานี้มาปกป้องรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์ไปกับร่างกายได้เราจะปล่อยให้ร่างกายมันแก่เจ็บตายไปโดยที่ไม่ต้องรักษาก็ได้ไม่ต้องเสียเงินก็ได้คำถามหมดแล้วค่ะพารามารย์หมดแล้วเลยมีมีมีของ u t u b e มีคำถามครับแต่คุณทวีศักดิ์บางทีจิตไม่ดีมันแว บ, บขึ้นมาบ้างช่วงเห็นไะอมฮบางทีจิตไม่ดีมันแว บ, บขึ้นมาบางช่วงพอมีสติเราจะเราใช้ปัญญาในการดับจิตที่เป็นอกุศลอย่างนี้เราบาปไหมครับไม่บาปเรกฆ่ากิเลสไม่บาปครับฆ่าคนนะบาปแต่ฆ่ากิเลสนี่เป็นบุญกิเลสก็คือความคิดในทางที่ไม่ดีคิดโลภคิดโกรธเนี่ย อยากได้ของของคนอื่นเขาหรือไม่ไม่ใช่เป็นของคนอื่นก็ไม่ดีมันก็ยังเป็นกิเลสอยู่อยากได้เงินได้ทองอย่างี้สู้อยากได้ความสงบดีกว่าถ้าอยากได้ความสงบนี้เป็นธรรมไม่เป็นกิเลสเพรามันเป็นประโยชน์กับจิตใจมันไม่เป็นโทษกับจิตใจถ้าอยากได้เงินทองมันจะเป็นโทษโทษทั้งขณะที่หาบางทีก็ต้องไปทำบาปเพื่อหาในสิ่งที่เราอยากได้แล้วพอได้มาก็ต้องเอามาใช้ในทางที่ไม่ถูกเอง ไปเล่นการประนันไปดื่มสุราหรือไปเที่ยวเตะมันก็เป็นโทษทั้งนั้น mm hmm. การทําตามก่เลนเนี่ยมันจะสร้างความทุกข์ให้กับใจเราแต่การทําตามธรรมนี่เป็นการสร้างความสุขให้กับใจฉ mm hmm. ั้นเวลาเกิดความคิดไม่ดีอย่าไปทําตามมันหยุดมันเสียหมดแล้ว mm hmm. เหรอา ม, มาีอีกคำถามอะไรว่าคำถามจะคุณจําตาพระท่านบอกว่าจิตเป็นทุกข จะสั่งให้สุบก็ไม่ได้เพราะจิตเป็นอนัตตาแล้วถ้าบังคับไม่ได้ถ้าเกิดตายตกอบายจะทําอย่างไรคะนั้นเขาพูดไม่ถูกจิตมันไม่ได้จิตมันไม่ได้เป็นทุกข์กิเลสต่างๆที่ทําให้จิตทุกข์ถ้าไม่มีกิเลสจิตก็ไม่ทุกข์เห็นไหมคือเขาไม่ได้ให้ให้ให้ว่าจิตเป็นอนัตตาหรือไม่เป็นอนัตตามันไม่เกี่ยวกันจิตมันทุกข์เพราะไปโยมกับสิ่งที่เป็นอนัตตา ว่าเป็นอัตตาเช่นไปหลงติดอยู่กับร่างกายของคนอื่นไปรักคร่างกายของคนอื่นแล้วก็ไปคิดว่าเป็นของเราพอเขาจากเราไปเขาไปเป็นของคนอื่นเราก็ทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้ว่าร่างกายของเขานี่ไม่แน่นะบางทีเขาอาจจะอยู่กับเราบางทีเขาไม่อยู่กับเราก็ได้เพราะมันไม่แน่นอนอันนี้จังบรรณนตตามันไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงวันนี้เป็นของเราพวกนี้อาจจะเป็นของคนอื่นก็ได้ ถ้าเราิดอย่างนี้เราก็จะไม่ยึดไม่ติดก็ไม่มีกิเลสมันก็ไม่ทุกเวลาที่เขาไม่อยู่กับเราไม่ได้เป็นของเราเะฉั้นความทุกข์ของจิตนี้เกิดจากกิเลสจิตไม่ได้เป็นตัวทุกข์ใช่กิเลสเป็นตัวสร้างความทุกข์ให้แก่จิตเราถึงต้องมากําจัดกิเลสกันเราไม่ได้กําจัดจิตก็าเนถ้าจิตเป็นทุกข์เราก็ต้องกําจัดจิตมันถึงจะหายทุกข์แต่จิตนี้เรากําจัดไม่ได้มันเป็นของที่มันของที่ไม่มีใครกําจัดได้มันเป็นของที่ไม่ตาย อาระเบิดนิวเคลีย์มาสัยมันก็ไม่ตายเพราะมันมด้อยู่ใ น, นคุณคุณจักรคุณจักริกนะคะคอมเมนต์มาว่าคุณแม่นอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลผมเอาหนังสือธรรมะที่ได้จากระาจายมาให้แกดูและเปิดธรรมะให้ฟังบ่อยๆคนที่อยู่เตียงใกล้ๆเขามองเราเป็นคนประหลาดอ่าก็ไม่เข้าใจเขาคิดว่าต้องฟังเพลงต้องฟังละครถึงจะมีความสุขอันนี้ก็แล้วแต่นานาจิตตัง เขาจะคิดอะไรก็ปล่อยให้เขาคิดไป่อให้เรารู้ว่าเราทำอะไรก็แล้วกันรู้ว่าสิ่งที่เราทำมีคุณมีประโยชน์กับจิตใจของเราเราก็ทำของเราไปคนหน่งก็จะว่าเราประหลาดก็แน่นอนเราไม่เหมือนเขาเราก็ต้องประหลาดเนี่ยเขาก็ประหลาดเพราะเขาไม่เหมือนเราเขาไม่มองมุมกลับมัง่งใช่ไหมเอาลนะถ้ามีใครอยากจะถามอะไรอีกไมถ้าไม่มีก็จะได้ยุติการประชุมไว้เพียงเท่านี้